ตัวจอกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องประชาธิปไตยของผู้บริหารโดยพระท่านสมณะภูธิรักประจำวันที่12พฤศจกกิกายน2550ที่สถาบันผู้นำอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญท่านจิตตาร์ฟังได้ณนะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนอวันนี้ที่อาตมาเ ก, กิ่นแล้วว่าอาตมาจะเทศตั้งใจะจะเทศให้ดีๆทั้งลึกและกว้างในเรื่องของความเป็นมนุษย์และสังคมสังคมคํานี้กินความไปตั้งแต่สังคมในครอบครัวจนกระทั่งถึงสังคมเพื่อนบ้านมิตรสหายจนกระทั่งถึงท้องถิ่น สังคมท้องถิ่นสังคมกว้างกันไปถึงเขตจังหวัดรัฐและสังคมทั้งโลกก็คือมนุษย์ชาติที่รวมกันและก็โยงใหญ่ถักทอสารประสาน ส, สอดประสานกันอยู่อย่างมีการสัมพันธ์กันนะเรื่องของมนุษย์เรื่องของสังคมเท่านี้แหละ พระพุทธเจ้าบอกแล้วอาตมาเคยยำ้ำพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องมนุษย์และความเป็นมนุษย์ในสังคมโลกซึ่งผสมผสานกันเกี่ยวข้องกันมีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนะจนพระพุทธเจ้าจนทะลุรอบชัดเจนอาตมาก็ศึกษาตามแนวทางนี้มานะก็อย่างนี้แหละก็หลายชาติ ก็ถึงได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอะไรต่ออะไรพวกนี้อัตมามาชาตนินี้เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าอัตมาไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาความรู้นี้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็เรียนรู้เรื่องของความรู้ที่จะเอามาใช้กับมนุษย์นี่แหละแต่มันมีความรู้อยู่สองชนิดความรู้ชนิดหนึ่งคือความรู้ทางเทคนิคความรู้อีกชนิดหนึ่งคือความรู้ที่จเจริญทางวิญญาณ ความรู้เจริญทางวิญญาณ น, นั้นเป็นความรู้ที่เป็นแกนของชีวิตแต่คนทุกวันนี้เนี่ยไปหลงความรู้ทางเทคนิคแล้วก็เชิดชูวความรู้ทางเทคนิคเพราะนั้นเขาเข้าใจความรู้เก่งในการเกษตรเก่งในวิศวกรรมเก่งในการสื่อสารเก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์เก่งในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปยกยอเชิดชูสิ่งเหล่านั้นกันเพียงเป็น เครื่องเลี้ยงชีวิตไม่ใช่เป็นความเจริญของชีวิตเป็นเพียงเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่ไม่ใช่ความเจริญของชีวิตจิตวิญญาณเป็นตัวความเจริญของชีวิตถ้าไม่รู้ถึงจิตวิญญาณสิ่งที่เราเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอาศัยมันจะมาทับถมชีวิตและมันก็จะทำลายพฤติกรรมของชีวิตและสังคมก็เสียหาย พริกรรมองชีวิตของคนนี่ซับซ้อนเมื่อวานนี้เทศแล้วก็ได้ขยายความไปพอสมควรแล้วว่าสังคมมันซับซ้อนคนฉลาดคนฉลาดจะใช้วิธีการจะใช้ความสามารถในการที่จะสร้างกลไกค่ายกลของชีวิตทั้งในด้านรูปธปรรมและในชั้นเชิงของนามธรรมา ซับซ้อนหลอกลวงกินลึกมหาศาลเสร็จแล้วสังคมโลกก็กลายเป็นเรื่องเลวร้ายจะอ่านบทความให้ฟังบทความหนึ่งแล้วจะขยายความไปจนจบเวลาบทความบทนี้จากมติชนสุดสัปดาห์าเล่มของเดือนของวันที่สองถึงแปดพฤศจิกาย น, นาจะบับที่แปด ป, ปีที่ยี่แปด ฉบับที่พันสี่ร้เขาลำฝรั่งมองไทยเขียนโดยไมเคิลไรท์นะเขียนโดยเเป็นฝรั่งที่มองไทยก่อนจะได้อ่านบทความก็ขอพูดนิดนึงในเรื่องของภาษาหลายคนติดยึดในการบอกว่ายิ่งในชาตินิยมติดในภาษาแล้วก็บอกว่ามัมีภาษาไทยของเราไปใช้ทำไมภาษาต่างประเทศ อาตมาขอยืนยันว่ามองอย่างนั้นมันสุดต่งไปยิ่งยุคนี้สมัยโลกาภิวัตน์มันต่อเนื่องกันทั้งหมดแล้วมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วมันจะต้องสื่อสารกันมันจะต้องถ่ายทอดกันเพราะเราถ่ายทอดกันด้วยภาษามนุษย์ชาติในถ่ายทอดกันด้วยภาษาเก่งกว่าสัตว์เป็นสําคัญเพราะฉะนั้นมาถึงโลกทุกวันนี้แล้วสื่อสารกันด้วยภาษา เราจะปฏิเสธภาษาที่เป็นสากลภาษาสาที่ใช้กันทั่วร่วมกันมากเราต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ยอมรับกันทั่วโลกใช้กันได้สากลมากที่สุดแล้วเราก็จะมายึดถือว่าเราอย่าไปส่งเสริมภาษาอังกฤษเราอยาไปส่งเสริมเราไปจะไปหลงไหลไอ้อย่างนี้มันสุดโต่งไปนะมันจะใช้ประโยชน์ในการละใช้ประโยชน์ในยุคอาตมาไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย แต่ตมาก็เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นความยึดติดของคนบางคนที่เกินไปใช้กับไปเพ่งโทษเขาเสร็จแล้วก็ไม่ชอบใจตัวเองถ้าเกิดความไม่ชอบใจตัวเองมันหม่นหมองแล้วมันก็ไม่เกิดการไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะเกิดภูมิปัญญาหรือเกิดการพัฒนาอะไรเพรา ะ, ะนั้นเราจะไปทำความเข้าใจไปยุติติดอย่างนั้น เขาจะใช้บ้างในส่วนที่สมควรในส่วนที่สาคัญในส่วนที่ควรจะเป็นก็ต้องให้เขาใช้และมันเกิดประโยชน์คุณค่าในในฐานะที่ผู้ที่ใช้ถูกถูกกาละถูกเทสะมันเป็นคุณค่าทันทีและไปเป็นคุณค่าคุณค่าได้เร็วลัดกว้างลึกมีประโยชน์ทันทีส่วนคนที่ใช้ฟุ่มเฟือยช่วยอวดเชิงเชิ ง, ชงอวดอ้างเชิงเบ่ง เชิงขมเชิองอะไรก็แล้วแต่มันก็มีคนลักษณะนั้นก็เรื่องของเขาเของโง่ก็ไม่รู้เรื่องเขาอยากจะโชว์อยากจะอวดอ้างอยากจะเบ่งอยากจะทําอะไรให้มันใช้ภาษาโดยที่ว่ามันมีเชิองอวดเชิงติดยุดเชิงเบ่งขม่มคนอื่นเชิองอะไรของเขามันก็เรื่องของเขานะมันก็เป็นกิเลนของเขาก็เอาเถ อ, อะถ้าห้ามกันได้ศึกษากันได้บอกกันได้ว่าเอาหนะ้าอย่าไปทําลักษณะนั้นก็ได้ก็เอา แต่ถ้าเพื่อว่าทำไม่ได้ก็ปล่อยเขาเขาก็ย่อมทำตามเรื่องของเขาวิกฤตการชื่อของคอลัมน์นี้ของไมเคิลไรน์ไมเคิลไรน์นี่เป็นคนเป็นชาวอังกฤษนันเป็นชาวอังกฤษที่โอ้โหแกเป็นชาวอังกฤษที่เขียนบทความภาษาไทยเนี่ยคนไทยสู้ไม่ได้ขอยืนยันว่าอัตามาอ ย, ย่างเขียนสู้แกไม่ได้เลย แกเขียนแกใช้ภาษาคารมแกมีความรู้ทางประวัติศาสตร์วรรณกรรมเก่งนะอาตมาว่าเป็นคนฝรั่งที่เป็นฝรั่งที่มีวิญญาณไทยไรึกกับคนไทยไม่คนไรเนี่ยแกเป็นคนไม่จบปริญญาสักใบนะแต่แกวิจารณ์ด็อกเตอร์ตลอดแหลกละเอียดหมดอ่า ความนำเอ้ายังไม่ได้บอกชื่อบอกชื่อชื่อบทความนี้บอกว่าวิกฤตการประชาธิปไตยระดับโลกขีดระดับไทยวิกฤตวิกฤตการประชาธิปไตยระดับโลกขีดระดับไทยคือทั้งโลกและทั้งไทย The crisis of democracy at the world and Thai level ความนำประชาธิปไตยไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะของไทยหากเป็นปัญหาระดับโลกในบทความนี้ผมจะพยายามพิจารณาว่าหนึ่งประชาธิปไตยคืออะไรแม่น่าจะคุยกับอาตมาบ้างสองปัญหาที่กำลังประสบในโลกตะวันตกสามปัญหาเฉพาะเมืองไทยนี่เป็นหัวข้อที่แกตั้งว่าแกจะ อันนี้มาวิจาร์วิจัยในบทความนี้สั้นๆไม่มากการปกครองกับ e r n m e n t หนึ่งเป็นการจัดบ้านเมืองให้เรียบร้อยซึ่งหมายถึงการบีบบังคับในระดับหนึ่งนะแกใช้ภาษาดีนะการบีบบังคับในระดับหนึ่งนะเซมิโ o โแม่ก็เก่งภาษาองังกฤษจะด้วยนะภาษาไทยว่าอะไรก็ไม่รู้ไอเซมิโค l เนี่ยอามานึกไม่ออก แกใช้นีนแหละเสร็จแล้วหมายถึงการบีบบังคับในระดับหนึ่งเซมิโครลบางกรณีเป็นไปโดยประชาชนส่วนใหญ่ยินดีวงเล็บเปิดเช่นในเมืองจีนปัจจุบันวงเล็บปิดขอวิจัยเล็กๆน้อยๆแซมไปไ ม, ไ, มไม่งั้นอ่านแล้วจะผ่านอัตมาก็อ่านจบแล้วอัตมาจะโยนวางแล้วจะ อธิบายขยายความคลุมแล้วก็จะต่อเนื่องเข้าสู่ธรรมะแล้วมาถึงตัวพวกเราในพฤติกรรมของพวกเราที่เป็นอยู่ให้ทั้งหมดบางการณีเป็นไปโดยประชาชนส่วนใหญ่ยินดีหมายความว่าบางเรื่องบางเรื่อราวเนี่ยคนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยยินดีนะและคนส่วนใหญ่ที่ยินดีนั้นอาตมาอธิบายวิจัยซ้อน ส่วนใหญ่ที่ว่าที่ยินดีนี้คือส่วนใหญ่ของประชาชนจริงๆนี่แกยกเช่นเมืองในเมืองจีนปัจจุบันเมืองจีนมีพลเมืองถึงพันกว่าล้านพันสามร้อยล้านเป็นคนจำนวนมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเมืองหรือการปกครองบริหารเขาก็ใช้เชิงบังคับอย่างที่แกพูดมีการบีบบังคับในระดับหนึ่งเส็จแล้วคนก็ต้องจานวน หรือมีปรญญายยอมรับทั้งความจำนวนและความมีปัญญายอมรับเป็นค่าที่สำเร็จได้จะออกมาใช้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมนี่คือความหมายที่ที่ลึกซึ้งลงไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะพวกเนี้ยนักปกครองก็ทำทำเสร็จแล้วคนก็จำนวนหนึ่งสองยินดีด้วยปัญญาหนึ่งก็จะเกิดเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จะยอมรับ มตินี้ความเห็นนี้แล้วก็ใช้กับสังคมต่อไปนะบางกรณีเป็นไปได้เป็นไปโดยใช้อาวุธขู่เข็นนะวงเล็บเปิดเช่นในเมืองพม่าปัจจุบันวงเล็บปิดอย่างไรก็ตามระบบการปกครองทุกชนิดมุ่งจะผูกขาดอำนาจและทรัพย์สินนะแกแบ่งตรงเหมือนกับอาตมาเลย อำนาจและทรัพย์สินนะอาตมาไม่ใช้คําว่าทรัพย์สินอาตมาใช้คําว่าเงินทองกับอํานาจนะจะผูกขาดและจะผูกขาดอํานาจและทรัพย์สินให้อยู่ในมือของชนชั้นปกครองและทําให้ชนชั้นปกครองสามารถตัวเองเลยตรงนี้เอารัดเอาเปรียบวงเล็บ exploit ประชาชนส่วนใหญ่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่อ่านสังคมได้ชัดมากเลยนี่ขอยืนยันอาตมาไรมภูมาตมาอาตมาเห็นว่าแกอ่านสังคมและพฤติกรรมสังคมขาดเลยแก่อ่านขาดเลยอ่านออกเลยเป็นเรื่องจริงของสังคมมนุษย์ผู้ปกครองบริหารประเทศจะใช้ความสามารถเพื่อให้ได้มาอย่างที่แกกล่าวนีน้อ่านให้ฟังซ้ํา ตรงนี้อย่างไรก็ตามระบบ ก, การปกครองทุกชนิดมุ่ ง, งระบบปกครองทุกชนิดมุ่งจะผูกขาดอำนาจและทรัพย์สินให้อยู่ในมือของชนชั้นปกครองและทำให้ชนชั้นปกครองสามารถตัวเองเอารัดเอาเปรียบประชาชนส่วนใหญ่อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกที่สุดให้คะแนนเต็ม ร้อยบวกเอนี่คือสัญชาตมนุษย์เรื่องนี้เป็นความจริงตลอดประวัติศาสตร์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคล่าเมืองขึ้นยุคอุตสาหกรรมและยุคทุนนิยมประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่สู่สำเร็จรูปที่จะนำไปสู่ยุคพระศรีอ่าน หากเป็นเพียงการพยายามจะกระจายอำนาจให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิประท้วงป้องกันไม่ให้ชนชั้นปกครองเอารัดเอาเปรียบจนเหลือทนจะใช้จำนวนสั้นและกระทัดระแมแน่นคนมันทนไม่ได้จนเหลือทนมันก็ต้องประท้วงบ้างประชาธิปไตยก็จะจอช่องให้ประท้วงในบ้างแต่อำนาจส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยสาเร็จหรอก จะรุนแรงเมื่อไรอำนาจของผู้บริหารปกครองอย่างพม่าเป็นต้น <c oughs> ก็เบ็ดเสร็จทุกทีแหละนี่คือตัวอย่างชัดๆนะส่วนรัฐธรรมนูญ น, นั้นไม่ใช่คำพีที่ใครๆต้องบูชาหากเป็นเพียงบทกฎหมายหลักๆที่คนในสังคมส่วนใหญ่ยอมรับกันที่สำคัญยิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญคือหนึ่งจริยธรรม ของชนชั้นปกครองที่จะไม่ใช้รัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองกินบ้านกินเมืองและสองความพอใจของชนชั้นอื่ น, นความพอใจของชนชั้นอื่นที่จะไม่ลุกสู้ปฏิวัติอันที่หนึ่งเอาใหม่จริยธรรมของชนชั้นปกครองที่จะใช้ไม่ใช้ จะดีทำนี่จะไม่ใช้รัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองกินบ้านกินเมืองแต่พฤติกรรมที่เห็นในสังคมมันกินบ้านกินเมืองใช้ใช้มุมพวกนี้นะใช้มุมพวกนี้และสองที่นี้ความพอใจของชนชั้นอื่นนะไม่ใช่ชนชั้นปกครองชนชั้นอื่นที่จะไม่ลุกสู้ปฏิวัตินะขอยกตัวอย่างที่คณะทหารทำรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูนพศ .2540 ไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูนไม่ดีรัฐธรรมนูนพศ .2540 ไม่ใช่รัฐธรรมนูนไม่ดีแต่เพราะ ร, รัฐบาลทักสินบิดเบือนรัฐธรรมนูนกินบ้านกินเมืองจนคนจนมากทนดูไม่ได้ที่พมา่าปัจจุบันเดือดร้อนสุดๆนั้นไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูน วงเล็เปิดหรือไม่มีรัฐธรรมนูญวงเล็ปิดแต่เป็นเพราะรัฐบาลทหารพรมา่าขาดจริยธรรมเหยียดหยามและรังแกรประชาชนจนคนส่วนใหญ่ทนไม่ไหวแต่เราอยากเพ่งเฉพาะปัญหาแถวบ้านเราแกเขียนบทความแกใช้ภาษาคนไทยนักวิจารณ์วิจัยนักเขียนโอ้โหไล่แกไม่ติดจริงๆเลยแกมองทะลุ ละเอียดดีไม่รู้นะภูมิปัญญาอาตมาภูมิปัญญาอาตมาอาตมาก็ว่าอาตมาอ่านบทความของคนหลายคนอยู่เหมือนกันที่วันแน่ๆอาตมาก็ว่าอ่านเหมือนกันนะใครก็แล้วแต่ดตรนิธิเป็นต้นอะไรเงี้ยอ่านโอ้เขียนเก่งเขียนมากด้วยนะอาตมาเขียนสู้ขไม่ได้โลกตะวันตกกําลังประสบปัญหากับระบอบประชาธิปไตยเช่นกันนะโลกตะวันตกนะ กำลังประสบปัญหากับระบบประชาธิปไตยเช่นกันนี่คนหนึ่งการปกครองคอมมิวนิสต์ข้อที่2วิกฤตประชาธิปไตยในโลกตะวันตกประชาธิปไตยดังที่รู้จักกันวันนี้เริ่มก่อตัวพร้อมกับระบบระบอบพร้อมกับระบอบทุนนิยมในโลกตะวันตกเมื่อราว4ี่หปีที่แล้วปัญหาพื้นฐานแต่แรกคือประชาธิปไตยมุ่งหมายจะกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบทางการเมืองให้มากที่สุดในขณะที่ทุนนิยมมุ่งจะรวบรวมอำนาจทางเศรษฐกิจในมือเฉพาะของนายทุนนี่มันขัดแย้งกันชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ในครึ่งหลังคริสต ศ, ศตวตรษที่19เครึ่งแรกคริสตศตวตรรษที่20ในคะริสตวรในครึ่งแรกของ19แล้วก็ ในคริตวรัที่ยีเกิดวิกฤตวิเกิดวิธีแก้สองชนิดเกิดวิธีแก้นะสองชนิดคือหนึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาสังคมกดวิธีแก้สองชนิดหนึ่งสังคมนิยมบังคับนะคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์ที่ชวนให้ชนชั้นกันมาชีพยึดอำนาจรัฐและ ปัจจัยการผลิตของเลปิดและสองสังคมนิยมประชาธิปไตยดิโมครติกโซเชียลิ Democratic, uh, Democratic ism, ที่ชวนให้นายทุนแบ่งปันผลประโยชน์ให้คนกันมาชีพบ้างและเปิดโอกาสให้ชนชั้นกันมาชีพเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์ผ่านพักกันมาชีพเลเบิลพาธี และรัฐสภานีอันนี้เป็นวิธีการที่มันมันจัดสรรค์และมันเกิดความจริงนะความจริงมันบังคับให้เกิดสังคมนิยมแบบบังคับกับสังคมนิยมประชาธิปไตยคือแยกประชาธิปไตยอย่างหนึ่งกับแยกสังคมนิยมแบบบังคับนั่นคือคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์กับดิโมคราติกโซชิลิซม์ อย่างไรก็ตามในปลายคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบสังคมนิยมแบบอันนี้สังคมนิยมบังคับในโซเวียตและจีนก็ล้มเหลวในบรรดาพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในตะวันตกส่วนใหญ่ต่างเสียหลักกลายเป็นตัวตลกที่สังคมเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนโฉมอย่างมหาศาลในวงเล็บหรือน่าสะพึงกลัวเช่นนี้ มีสาเหตุหลักๆอย่างน้อยสองประการคือประการแรกชนชั้นกันมาชีพมีจํานวนน้อยลงมากจนมีพลังทางการเมืองตกตามาจะมีพกมันน้อยลงพลังทางการเมืองก็ตกตามลงไปด้วยทั้งนี้เพราะหนึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ต้องการแรงงานน้อยลง มงเล็บเปิดรถไถหนึ่งคันไถนาได้มากกว่าคนกับควายเป็นสิบสบหน่วยรถเข็นกับตู้สินค้าแทนคนแบกหามได้เป็นร้อยเป็นพันวลิปิดสองการศึกษาที่รัฐส่งเสริมทำให้คนกันมาชีพจำนวนมากถีบตัวขึ้นเป็นชนชั้นกลางนะคนเพิ่มเป็นคนชนชั้นกลางขึ้นมาเยอะ ทั้งนี้ดูเป็นการดีแต่ในโลกตะวันตกคนอีกจำนวนมากทันโลกทันสมัยใหม่ไม่ได้นะฟังความนี้อีกใหม่ครับแต่ในโลกตะวันตกคนอีกจำนวนมากทันโลกทันสมัยใหม่ไม่ได้จึงกลายเป็นชนชั้นอนาถา กลายเป็นชนชั้นอนาถาหรือเป็นตัวตลกไปบ้างเนี่ยอาตมาแถมให้นะอันนี้ชนชั้นอนาถาตกนอกขอบสังคมไรสับไรสิทธิไรเสียงเลี้ยงชีพด้วยอาชญากรรมหนีทุกข์ด้วยยาเสพติดทุกสังคมมีคนแบบนี้บ้างแต่เป็นส่วนน้อยในโลกตะวันตก มีจำนวนมากเป็นเรือนล้านจนนักสังคมวิทยาต้องคิดคำใหม่เรียกว่าชนชั้นจม the underclass the underclass ชนชั้นจมประการที่สองระบบทุนนิยมได้พัฒนากลไกวงเล็บเปิด เช่นบัญชีนิรานามที่สวิตหมายถึงอันไหนถ้าคนอยู่ในสังคมก็จะรู้บัญชีนิรานามที่สวิตนี่ ข, ขตสกาลังตามอยู่การค้าหุ้นนอกฝั่งตามหมู่เกาะก็คนที่อยู่ในสังคมก็รู้ประญานใหญ่วงเล็บปิด น, นี่คือระบบทุนนิยมในพัฒนานกลไก สิ่งเหล่านี้เป็นกลไกเป็นค่ายกลของนายทุนทั้งนั้นที่ก็ทําค่ายกลอันนี้อาศัยใช้ของเขาและคนอื่นเข้ามางงหมดหรือถูกทํำลายจากค่ายกลพวกนี้ได้ค่ายกลพวกนี้ทำลายคนที่เข้ามาสุดตรงนี้หรืองงไปไม่ออกนี่คือฝีมือของนายทุนที่ฉลาดนะระบบทุนิยมได้พัฒนากลไกที่อํานวยให้เล่นกลเล่นซ่อนหา ปิดบังหลีความโปรง่งใสแกใช้คำเก่งจริงๆเลยคนไทยใช้เรียบเรียงสู้แกไม่ได้เล่นสนาปิดบังหลีความโปรง่งใสจนสามารถทวีรับคาสั้นแต่ทันทีเข้าใจเลยจนสามารถทวีวรับแนววุบนหรือทำสินหายวับมุมกลับ ในแดนสนธยาที่กฎหมายบ้านเมืองเข้าไม่ถึงในที่สุดนายทุนบรรษัทสามารถซื้ออำนาจรัฐเพราะซื้อพักการเมืองได้เช่นบรรษัทน้ำมันซื้อพักรีพับริกันในสหรัฐและยังซื้อเสียงประชาชนส่วนใหญ่เพราะต่างครองซื้อมวลชนในหัวเล็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีดังนี้ฝรั่งผู้หวังดีหลายคนจึงปวดขมับอยากรู้ว่าคือหมายคำพูดเปิดประชาธิปไตยของเราหายไปไหนเอ่ยควนมาคือหมายคำพูดปิดสงครามในอิรักเป็นประชาเป็นประชากิจของประชาชนชาวอเมริกันในวงเล็บและอังกฤษเปา์ใหญ่ หรือเครือหมายคำถามาสงครามในอิรักและเป็นประชากิจของประชาชนอเมริกันในเลบและอังกฤษโดยใหญ่หรือหรือเป็นการดำเนินการหรือเป็นการดำเนินโดยพละการของบรรษัทน้ำมันและผู้ค้าอาวุธยุธโทโธปกรเคือหมายคำถาม มันเป็นประชาธิปของแม้แต่แค่ประชาชนอเมริกันหรือผู้ที่ร่วมมืออยู่หรือหรือว่าเป็นการดําเนินโดยพรติการของบรรษัทน้ํามันและผู้ค้าอาวุธยุโทโธปกรณ์มันมีจากน้ํามันมาเป็นเหตุกับการจะค้าขายอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเปล่าคนสร้างอาวุธขึ้นมาแล้วเมื่อไม่มีสงครามอาวุธก็เสียหายเน่า ทิ้งไปหมดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องก่อให้เกิดสงครามเมื่อมีใครยุให้ก่อสงครามกันไม่ได้ยุให้เมืองไทยทําสงครามเมืองไทยก็ไม่เกิดยุให้พมา่าทําสงครามพมา่าก็ไม่ทายุให้พวกตะวันออกกลางบางแข่งมันทําสงครามมันก็ไม่ทําเขาก็ต้องทําสงครามเองรวมหัวกับคนบางคนที่บางประเทศมาทําสงครามซะเองนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นการ เสริมเสริมความเข้นของนายทุนเสริมความต้องการของนายทุนโกลวิดดเขียนถึงเขียนกลวิดดถึงเขียน The end of the American Republic เขียน The of the end of the American Republic แกแปลามาเสร็จวงเล็บในวงเล็บสิ้นแล้วสาธารณรัฐอเมริก า, าแกแปลามาให้เสร็จแล้วไมเครลอมอร์เขียน Hey dude where is my country แกแปลามาเสร็จแล้วลูกเพรแผ่นดินกูหายไปไนหนไบไนวาแปลเป็นไทยลูกเพร แผ่ดินแดนกูหายไปไหนวะแผ่นดินกูหายไปหหยไปนหนวะและออลกอร์เขียน the s r u o on reason นะในนี้เ็าพิมพ์มาตกเขาแปลความว่าการเราปัญญาพิมพ์ตกการชำเราปัญญานะนะ the e r r o on reason นะ นี่เป็นอกอเป็นคนเขียนบทความดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมานี่มันชี้อะไรชี้หนึ่งอเมริกันล่มสลายนะสิ้นแล้วสาธารณรัฐสาธารณรัฐอเมริกาสองบ้านเมืองมันพังทลายลูกเพ่แผ่นดินกูหายไปในว่าฟังชื่อเราก็พอเดาได้ว่าคนขึ้นมาทวงป ร, ประท้วงถามเฮ้ย แลแผ่นดินกูหายไปไหนวะใครเอาไปกูจะอยู่ที่ไหนหรือ ก, กูอยู่แผ่นดินใครขอแซมนิดหนึ่งว่าประเทศไทยขณะนี้มีแผ่นดินอยู่หรือกําลังจะไม่มีแผ่นดินอยู่นี่ทิ้งเป็นคำถามสองแผ่นดินไทยดูเหมือนมีแผ่นดินอยู่แต่แผ่นดินนี้เป็นของคุณจริงหรือ นี่ทิ้งไว้เป็นคําถามนะฟังไว้นี่เป็นเพียงวิกฤตประชาธิปไตยในโลกตะวันตกผมจึงขอหันมาพิจารณาวิกฤตประชาธิปไตยในเมืองไทยอ่าแกทิ้งพูดไว้แล้วแกก็ทิ้งจบไว้แค่นี้ทีนี้เอาละอันสุดท้ายแล้วที่สวิกฤตประชาธิปไตยในเมืองไทยโลกตะวันตก ได้พัฒนาระบอบประชาธิปไตยกับระบอบทุนนิยมฟัให้ดีนะระบอบประชาธิปไตยกับระบอบทุนนิยมวงเล็บเปิดซึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันงวงเล็บปิดนะระบอบประชาธิปไตกระระบบทุนนิยมไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่ฟังให้เข้าใจเชียวนะเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยชาวอโศกเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ชาวอโศกไม่ใช่ระบอบทุนนิยม ขัดขึ้นไปนะเพราะงะั้นใครยังไปส่งเสริมระบอบทุนนิยมคนนั้นไม่ได้ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยไม่ทํำไมาแกความเห็นของแกสอดคล้องอัดความเห็นตะมาเกิดในไมโครไรเนี่ยนะในโลกตะวันตกได้พัฒนาระบบประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยมราว4ี0ร้อปีมาทุนนิยมพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดทุนนิยมนะพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่ขาด ในขณะที่ประชาธิปไตยล้มลุกครั้งแล้วครั้งเล่าถึงคริสต์ศตวรรษที่ยี่สดูเหมือนว่าดูเหมือนกับว่าประชาธิปไตยตั้งมั่นมั่นคงแล้วแต่ในระยะหลังๆนี้วงเล็บเปิดตั้งแต่ยุคแทชเชอร์และทุกลีแกนวงเล็บปิดนะสองตัวใหญ่เนี่ยอังกฤษกับอเมริกันนะ ทุนนิยมได้พัฒนาฟังให้ดีนะทุนนิยมได้พัฒนาแซงหน้าจนประชาธิปไตยชักเสยบิดจะโดนทุนนิยมเขมือบวิดเท่านั้นนะครับว่าบิดนะอัตมาว่าไม่วิดนะเขมือบแล้วเกือบหมดตัวแต่ไมเคิลได้ยังบอกว่าวิ ด, วดจะถูกเขมือบอัตมาว่าเขมือบแล้วหมดเกือบหมดตัวขอขยายความ ประเทศไทยประชาธิปไตยประเทศไทยผู้บริหารประเทศนี้ผู้เข้าไปบริหารเป็นทุนนิยมร้อเปอร์ซ์บวก A ประชาธิปไตยถึงถูกขมือเกลือนหมดตัวแล้วใครฟังเข้าใจก็ฟังไปฟังไม่เข้าใจก็งงไปด้านเมืองไทยทุนนิยมเริ่มพัฒนาตั้งแต่สมัยร .5 ในวันเรียบร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ประชาธิปไตยเริ่มตั้งแต่คศ .1932 ในว เ, เพียง75ปีมานี้ในระยะแรกในระยะสงครามเย็นข้อสี่สิบถึง1990ราประชาธิปไตยถูกบ่อนทำลายทั้งจากภายนอกและภายในในขณะที่ทุนนิยมรับการสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่นะประชาธิปไตยถูกบ่อนนะถูกบ่อนทำลายพร้อมกันนะ ภายนอกและภายในในขณะที่ทุนนิยมรับการสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ขอขยายความนิดหนึ่งแต่ก่อนนี้พวกบริหารประเทศเนี่ยไม่หัวกับนายทุนนายทุนจะส่งสเสบียงปิดบังซ่อนเร้นมากเดี๋ยวนี้นายทุนขึ้นมาประกาศตัวเป็นผู้คุมบังเหียนคณะบริหารปกครองเองเลยมันเลวร้ายถึงขนาดนี้แล้ว นะเพราะงัจะไปเรียกว่าวิตวิตจะโดนทุนนิยมเขมือบไม่ใช่เขมือบแล้วเกือบหมดตัวอันนี้ไม่เคลื่อนไหยังพูดช้าไปความจริงมันไปไกลกว่าที่ไม่เคลื่อนไถพูดนะผลก็คือในปัจจุบันระบบทุนนิยมได้แซงหน้าประชาธิปไตยไกลลิปแล้วไกลลิปริป้วนายทุนไทยในวงเล็บไม่ว่าจะดีหรือชั่ว โมเลิดสามารถซื้ออำนาจรัฐได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะมีกลไกเลือกตั้งถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยก็ตามโอ้โหคลุมเลยต่อให้รัฐธรรมนูญ ด, ดีก็ ก, กตเจ๋งคุมการเลือกตั้งบริสุทธิ์ผุดพ่องนายทุนก็ซื้ออยู่ดีตามอำนาจที่ออกมาเป็นกฎหมายเป็นบทบัญญตัติต่างๆเพราะ กฎหมายเหล่านั้นออกมาเดียบรอยแล้วเป็ น, นกลไกตายตัวสาเร็จเป็นสูตรสาเร็จแล้วได้เปรียบในคนส่วนหนึ่งคือนายทุนที่เขาให้ร่างรัฐธรรม น, นูญน้ไวเพื่อผลที่จะต่อท่อเขาไปหาเขาเขาได้เปรียบหมดแล้วหรือว่าอีกในหนึ่งในยันหนึ่งประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดสิ้นศรัทธาในระบบทุกระบบจึงยินดีให้เสียงสนับสนุนใครก็ตามย่งเรียกเมวะดีหรือชั่วที่อวดว่าจะเอาใจใส่ปลดทุกขส่งเสริมการธรรมาหากินของเขาเพราะฉะนั้นจำว น, นแล้วนะเพราะฉะนั้นชาวประชาชนชาวไทย ที่ถูกเอาเปรียบเอารัทุกคนที่ถูกห ล, ล, ลอกลวงครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดสิ้นสตาทุกระบอบจึงจำนวนในทีน่นี้ไมเคิลได้แก่ใจคําว่าจึงยินดีเพราะมันจำนนจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องเออเอเอาก็เอาจึงยินดีให้เสียงสนับสนุนใครก็ตามไม่ว่าดีหรือชั่วที่อวดว่าจะเอาใจใส่ปลดทุกส่งเสริมการทํามาหากินของเขา มันเหลือเศษที่จะได้เท่านี้เพราะฉะนั้นใครมาบอกว่าเอาเลือกฉันสิฉันจะช่วยปลดทุกข์ฉันจะตั้งใจเอาใจใส่ดูแลประชาชนฉันจะหาทางเสริมให้ธรรมะ ห, หากินได้รอดใครมาพูดอันนี้ได้แต้มเพราะเขาจำนวนแล้วไม่มีทางเลือกนี่คือสังคมประชาธิปไตยที่เกิดจริงเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ น, นี่หมดวิจัย ความส่งท้ายอินังโมหินีหมายถึงตัวแกเองแกเรียกตัวเองว่าเกอินังโมหินีตัวไมค์ก็ไรเองอินังโมหินีมองสถานการณ์ปัจจุบันแล้วขนผ่องแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเมืองไทยกำลังหมดความยืดหยุนและในเหมายคาพูดเวลาว่างที่เคยมีมาก่อน ฟังใหม่ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมองสถานการณ์ปัจจุบันแล้วค้นผองแล้วว่าเมืองไทยกำลังหมดความยืดหยุ่นและเวลาว่างที่เคยมีมาก่อนเมืองไทยปัจจุบันถึงทางแพร่งและทางสองทางก็ลื่นฟังใหม่คำสรุปของเขาเข้าใจยาก นะเมืองไทยกําลังหมดความยืดหยุ่นและเวลาว่างที่เคยมีมาก่อนนะเมืองไทยปัจจุบันถึงทางแพร่งนะเมืองไทยปัจจุบันถึงทางแพ่งคือหมายความว่ามันไม่มีทางที่จะไปชัดหนึ่งเดียวมันไม่มีมันเป็นทางแพ่งแล้วและมีและทั้งสองทางทางแพ่งสองทางนั้นก็ลื่นสั้นๆจบ เมืองไทยทางที่ไปสองทางไม่มีทางให้เลือกหมายความว่ามันไม่มีทางให้เลือกมันทางแบ่งเป็นสองแพร่งถ้ามีทางให้เลือกคุณก็จะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งได้แต่ที่ในเมืองไทยมันตกแล้วมันแล้วมันก็เป็นเมืองที่มันไม่การยืดหยุ่นอีกแล้วมันเข้มมันต้องไปนะมันยืดหยุ่นไม่ได้แลวต้องไปนะและมันไม่มีเวลาว่างหมายความว่า ไม่มีเวลาให้เลือกอีกแล้วคุณต้องเดินคุณต้องไปถูกบังคับไม่มีเวลาว่างให้เลือกไม่มีเวลาว่างให้คิดไม่มีเวลาว่างให้หยุดคุณต้องไปแล้วทางที่จะไปสองแพร่งนั้นเลื่อนอีตั้งหากหัวขมำพระกราสุดท้ายขอให้คนไทยทุกฝ่ายคิดให้ดี และเลือกทางสร้างสรรค์อย่าปล่อยบ้านเมืองลื่นไหลาทางฟิลิปปินส์ในวงเลบซึ่งใกล้จะเป็น failed nation นะหมายความว่ามันเป็นชาติที่จมพายไปแล้วล้มละลายไปแล้ว failed nation นะและอย่างให้ลื่นไหลาตามพมา่าในโงเลบนรกในโลกนี้ มวยกระไรมองว่าประชาธิปไตยในฟิลิปปินเนี่ยมันเฟลเฟลแล้วเฟลด์นะมันมันล้มเหลวแล้วนะนะล้มละลายแล้วของพมา่าเอ้ยของฟิลิปปินนั่นก็แบบหนึ่งเป็นลักษณะโชวประชาธิปไตยนะเป็นลิ้วรอของอเมริกันเต็มรูปฟิลิปปินเนี่ยเป็นผู้ถอดแบบแล้วก็เป็นผู้ที่ถูก ประชาธิปไตยของอเมริกันขับขับเคลื่อนนะส่วนพม่านั้นไม่ใช่อเมริกันขับเคลื่อนเลยเป็นศัตรูเป็นคู่ดื้อดึงกับอเมริกันด้วยแต่ไมคเคลนไรมองว่าไอทาทาปป้ทางลื่นทางหนึ่งฟิลิปปินส์ทางลื่นทางหนึ่งพม่าท า, ทางลื่นทางหนึ่งประชาธิปไตยหลอกลวงทางลื่นทางหนึ่งประชาธิปไตยพมา่า นั่นเป็นประชาธิปไตยไม่หลอกว่าเด็จการวะชัดๆใครจะทำไม2สองอย่างนี้อยู่ในโลกนะจบบทความอาตมาก็ขอขยายความนิดนึงจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วขอขยายความเรื่องประชาธิปไตยในโลกมันมีอยู่สามลักษณะขณะนี้ประชาธิปไตยในโลก นี่เป็นของอัตมาไม่ใช่ของมึงไมเคิลไรต์จบแล้วของไมเคิลไรต์อัตมาขอวิจัยแทรกไปอย่างที่อ่านมาและแทรกมาเท่านั้นจะไม่มากกว่านั้นถ้าพูดมากกว่านั้นพูดได้อีกหลายชั่วโมงนะมันมันไม่ไหวหรอกมันมันไม่มีเวลาประชาธิปไตยส่วนหนึ่งนั้นเป็นประชาธิปไตยยังอนุบาลยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยเป็นประชาธิปไตยเถื่อนเป็นประชาธิปไตยดิบดิบเช่นประเทศบางประเทศ ประเทศที่ยังไม่พัฒนาเลยก็เป็นประชาธิปไตยขี้เก๊ขี้เล็กเลเลเท่ไปมันก็เผด็จการหนึ่งเรื่องว่าเชิงผีเชิงสางเชิงครอบงํามอมเมาต่างความคิดประชาชนไปตามเรื่องตาราวนั่นก็คือประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ประชาธิปไตยยังไม่พัฒนาเลยสองในประชาธิปไตยที่ กำลังพัฒนากันทุกหลายระดับหลายเลเวลมากในช่วงกลางหมวดหนึ่งในเป็นพวกที่ยังถือว่าตัดเกฑ์ว่าอยู่ในพวกที่ยังไม่เป็นระษีภาษาของประชาธิปไตยหมวดนี้ชักจะเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้วแต่แค่มีหลายระดับมีหลายระดับไทยอยู่ในนี้อีกหมวดหนึ่งถือตัวว่าเป็นประชาธิปไตยรุ่งเรืองที่สุด แต่เลวร้ายที่สุดฟังใหม่พวกหนึ่งพวกอนุบาลประชาธิปไตยพวกหนึ่งคือพวกที่พัฒนาประชาธิปไตยไปสู่ที่ดีที่สุดได้ได้แต่มันดีที่สุดก็ได้เท่านั้นแหละประชาธิปไตยเดี๋ยวอาตมาจะได้เทศประชาธิปไตยที่ดีไม่ไม่เทศไม่เทศเทศไม่ไหวแล้วอาตมาเทศมาแล้วครไปฟังประชาธิปไตยที่ดีแต่ยังไม่ละเอียดหรอกนังกัดประมาณหนึ่งแล้วพออาตมาเทศเสร็จมี พวกที่ฟังแล้วไฟแรงคนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกขอให้ซีร็อก เ, อเทปขอให้ซีร็อกวที่เทศนี้แจกพักการเมืองทุกพักฉันออกสตังเองขอให้ทำให้ด่วนที่อาตมาเทศบาลอาทิตย์วันนั้นสองชั่วโมง เ, เรื่องการเมือง แล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าการประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ตั้งชื่อว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนั้นประชาธิปไตยทุกวันนี้ในโลกมันมีอยู่สลักษณะนี้ 1. อนุบาลประชาธิปไตยสองประชาธิปไตยอยูในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ดีที่สุดแต่ประชาธิปไตยที่ดีที่สุดนั้นต้องเป็นธรรมมาธิปไตยหรือเป็นอาริยธิปไตยหรือเป็นเศรษฐาธิปไตย หรืออย่างน้อยก็เป็นบุญญาธิปย์ไต่ประชาธิปไตยถ้าจะเรียกประชาธิปไตยก็ต้องมีธรรมะมีความประเสริฐมีอาริยธรรมเข้าไปแทรกจริงๆแต่ทุกวันนี้อาริยธรรมไม่มีมันจึงกลายเป็นประชาธิปไตยพัฒนาและนับถือกันสูงสุดของอเมริกันเป็นต้นอัตมาขอบอกให้ว่าอเมริกันเป็นประชาธิปไตยที่หลอกลวงที่สุดอัตมาได้ข้อมูลมาว่า ประชารัฐปฏายนั้นคือโรงละครโรงใหญ่ที่สุดการที่จะออกมาในทำเนียบขาวเนี่ยเขาออกมามีการประชุมมีการอภิปรายดา่าทอกันอะไรอะไรทำนี้อะ ไ, อะไละครทั้งสิน้นทุกอย่างเซ็ตหมดแล้วเรียบร้อยในการบริหารทุกอย่างไปตามนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่ออกมาแสดงเป็นผู้บริหารทั้งหลายแหลเล่นละครทั้งหมด แล้วก็กระจายละครนี้ถ่ายทอดไปทั่วโลกนี่คือประชาธิปไตยอเมริกันทุกอย่างประเด็ิการกลุ่มอย่างที่ไมเคิลไรบอกว่าประชาธิปไตยลักษณะสองอย่างละลักษณะที่หนึ่งอะไรอะสังคมนิยมบังคับคือคอมมิวนิสต์ และลักษณะที่สองก็คือสังคมนิยมประชาธิปไตยนะ่นะดโมครติกโซเชลิซึมประชาธิปไตยแต่ก็เป็นสังคมนิยมหรือเป็นพด็จการกลุ่มของสังคมกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเป็นการพฤติการของสังคมกลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะเป็นดิโมครติกแต่ก็ไม่ใช่ก็คือสังคมนิยมลักษณะซ้อน มันเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มันเป็นอำนาจกลุ่มอยู่เหมือนกันแม้แต่ที่สุดประชาธิปไตยที่ว่าทุกวันนี้ในโลกไม่มีมีอำนาจกลุ่มทั้งนั้นเมืองไทยเห็นชัดเพราะฉะนั้นก็แย่งอำนาจกันอยู่ขณะนี้การเมืองของเมืองไทยก็กำลังแย่งอำนาจกันอยู่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะนั้นเราไม่รอเราไม่หวังแต่เราทาทาประชาธิปไตยอันประเสริฐ เกิดเมื่อไรช่างมันได้คุณภาพของประชาธิปไตยนั้นเท่าไหร่ช่างมันอาตมาเข้าใจประชาธิปไตยอย่างที่อาตมาเข้าใจแล้วอาตมาเห็นด้วยกับไมเคิลไรอย่างดีแล้วอาตมาได้ความภาษาและได้ศัพท์ได้อะไรแต่จากไมเคิลไรบทความสั้นๆแค่นี้โอ้โหอาตมาได้หลายเลยบทความแค่นี้อาตมาได้จากไมเคิลไรหลายเลยอาตมาจบในเรื่อง บทความนี้มาขึ้นธรรม ะ, นะมนุษย์ชาติกี่ชาติกี่ปางกันแล้วแต่ก็คือมนุษย์และสังคมอาตมาก็ซ้ํำซากพูดแล้วว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนศึกษาคนศึกษาความเป็นมนุษย์กับศึกษาสังคมแล้วท่านก็ช่วยสังคมท่านก็บริหารสังคม แต่ท่านบริหารนอกกรอบนอกนอกอะไรนอกนิติ น, นัยท่านบริหารอิสระเสรีภาพของท่านเพราะท่านเป็นนักอิสระท่านเป็นผู้ที่อิสระเสรีภาพเพราะท่านสมัครไทยที่จะรับใช้สังคมโดยที่ไม่ต้องมังมีใครว่าท่านและท่านก็ซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ใจ และมีภูมิมรรมด้วยท่ทานก็ทําไปในยุค ifying, ท่านทําประชาธิปไตยไม่ได้เพราะยุคทาตุย er. ุคสมุทรนายาสิทธิราชท่านจะไปล้มล้างความเป็นประชาธิปไตยในยุคของท่านไม่ได้ไปล้มไม่ใช่ความเป็นประชาธิปไตยล้มล้างความเป็นสมุรนายาสิทธิราชและล้มล้างความเป็นทาตแล้วก็ไปบังคับให้คนเข้าใจสิทธิให้ทุกคนเข้าใจตัวเองเกิด สิทธิมนุษยชนให้รู้ว่าเป็นมนุษย์ที่รู้จักสิทธินะเอ้นี่สิทธิของฉันนะแรงงานของฉันนะ่ะนี่สมบัติของฉันฉันเป็นคนสร้างฉันเป็นคนก่อนนะนี่ฉันมีสิทธิที่จะพูดนะในฉันมีสิทธทิจะแสดงอาการอย่างนี้ในสังคมนะอยู่ในกรอบอยู่ในข่ายควรมารยาทพอดีทุกอย่างแม้แต่กฎหมายบังคับฉันไม่ได้กรอบการตกลงของสังคมฉันมีสิทธิที่จะแสดงออกขนาดนี้นะ สิทธิในการเป็นเจ้าของสิทธิในการแสดงออกทางกายกรรมวจิกรรมนกกรรมสิทธิในการที่จะศึกษาทางจิตวิญญาณอิสระเสรีภาพสูงสุดทางจิตวิญญาณนั่นเป็นสุดยอดเลยนะแต่ทุกวันนี้เข้าใจหมดแล้วสมัยพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจท่านจึงทําประชาธิปไตยก็ไม่ได้ แต่ท่านก็ทำท่านก็ปลดแอกเนื้อแท้ของประชาธิปไตยคืออะไรเนื้อแท้ของประชาธิปไตยก็คือประชาเป็นอำนาจใหญ่เงื่อนไขหลักประชาต้องเป็นคนเจริญต้องเป็นอาริยชนจึงเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาไม่เป็นอาริยะเป็นปุตุชนเป็นคนกิเลสหนาแล้วเอาเสียงของคนส่วนใหญ่ ที่มีกิเลสหนาะเป็นคำตอบเป็นที่สุดเป็นยุติเป็นความถูกต้องเป็นโตตัดสินนั่นคือสังคมที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสเพราะคนเหล่านั้นมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีกิเลสเป็นอำนาจใหญ่ก็คือแทนที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ควรจะเรียกว่าระบบ ก, กิเลสาธิปไตยอาพิปไตยของกิเลสเป็นเอก เพราคนต่างคนต่างออกเสียงตามกิเลสออกมาเห็นพร้องต้องกันแล้วก็ระบุลงมากําหนดเป็นมติสังคมก็คล้องด้วยกิเลสไปตลอดการเพราะฉะนั้นคําว่าประชาธิปไตยจึงมีเงื่อนไขว่าประชาชนต้องเป็นอาริยะดังเช่นชาวอาโศกขออาภัยที่พูดคํานี้มันใหญ่เหลือเกินชาวอาโศกเป็นอาริยะเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษ เป็นคนเรียนรู้หลักธรรมของพูะเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติตนมีจรณะสิบผ้าตอนนี้เขาไปสู่ธรรมะมากขึ้นแล้วนะเป็นคนที่มีความประพฤติจรณะแปลว่าความประพฤติประพฤติตลอดเวลาประพฤติในการปฏิบัติในความประพฤติประพฤติอย่างสังวรประพฤติโดยมีอปนกปฏิปทา ประพฤติโดยเข้าใจหลักสามมีการสํารวมสํารวมอินทรีย์สํารวมตนนะตลอดเวลามีสติสัพชัญญะปัญญาตามหลักของสติปัฏฐาน4ขยายความเพิ่มเติมนะเพราะเรียนรู้จากวิชาการของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นการสํารวมสํารวมโดยไม่มีสติสัพชัญญะปัญญา ไม่มีธรรมวิจัยไม่ได้เพราะต้องสํารวมอย่างมีสติสัมโพชงมีธรรมวิจัยสัมโพชงมีวิริยะสัมโพชงฟังให้ดีๆนะตั้งหลักให้ดีดนะใครไม่มีพื้นฐานคงหนักฟังธรรมวันนี้เพราะจะใช้หลักวิชาเข้ามาประกอบการอธิบายเวลาไม่มากมันก็จะต้องใช้ภาษาตัวเทคนิคข้อเทอมเยอะใช้ภาษาทางวิชาการเยอะหัวข้อธรรมจะเยอะ เพราะฉะนั้ขใครไม่เข้าใจข้อก้อทำต่างๆกอาจจะยากนิดหน่อยเพราะฉะนะั้นเมื่อผู้ที่มีจรณะมีความประพฤติประพฤติโดยปฏิบัติทำไปด้วยในความประพฤติของคนชาวโอโศกหรือความประพฤติของลูกพระพุทธเจา้าหรือพุทธศาสนิเยกชนพุทธบริษัทจะไปพุทธมามกะก็ตามมาต่มาขยายความแวพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะพุทธบริษัท มีเนื้อแท้ต่างกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าก็จะมีองค์ประกอบหมดประพฤติอยู่มีโพชฌงเจตสติก็เป็นสติสัมโพชฌงธรรมวิจัยก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงต้องมีธรรมวิจัยตลอดไม่จะมีสติเฉยๆรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็จบไม่มีอะไรต่อไม่ใช่มีสติและมีธรรมวิจัยมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิจัยวิเคราะห์ ทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและการกระทําพร้อมทั้งอาชีพเพรา ะ, ะนั้นสังกปะวาจากรรมมันตาอาชีวะถูกวิจัยโดยผู้ปฏิบัติหรือผู้ประพฤติผู้มีจรณนะทั้งสิ้นผู้ประพฤติและผู้มีจรณนะนั้นก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะอ่านสังกปะความดำํำดินึกคิดหรือการปรุงแต่งของจิตของเราสังกปะ ความดับดิลนึกคิดและการปรุงแต่งของจิตของเราซึ่งมันจะเป็นตัวต้นทางมนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสถามนโนมยาจะเป็นตัวประธานจะเป็นตัวที่เป็นต้นทางเป็นใหญ่เป็นต้นทางมาก่อนอันอื่นแล้วจึงจะออกมาเป็นวาจาออกมาเป็นกรมมันตะออกมาเป็นอาชีพเพราะควบคุมต้นทางนี้ได้วาจาก็สา ม, มากรรมมันตะก็จะสา ม, มาตามไป อาชีวก็จะสมาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบของสังคมเกิดจากวาจา ก, กรรมมันตะอาชีวะซึ่งมาแต่อำนาจของจิตของแต่ละคนของมนุษย์จิตจริงๆแล้วมันไม่ไปกระทบใครแต่ที่จะกระทบคนก็คือวาจากายกรรมการกระทําออกมาทางข้างนอกและการประกอบการงานอาชีพทั้งหมด เัินไปกระทบกับคนเพราะยาสามารถควบคุมเป็นสัมมาได้สังคมก็สะดวกสังคมก็เจริญประชาธิปฏิทยของชาวอโศกมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชน์มีวิริยะสัมโพชนงค์มีความภาคเพียรที่จะให้ไปสู่ทิศทางที่เราต้องการคือทิศทางโลกุตระทิศทางโลกุตระก็คือเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่าย เป็นคนมากน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนขัดเกลาเป็นคนมีศีลเคร่งเป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมสุดยอดในความเป็นมนุษย์คนที่ไม่สะสมหมดเนื้อหมดตัวนี่เป็นคนที่เจริญแล้วคนที่ยังมีทรัพย์สินเงินทองคุณยังมีทรัพย์ของตัวเป็นของตัวของตนอยู่ยังไม่สูงหรอกยิ่งมีมากยิ่งต่า เพราะฉะนั้นคนยิ่งรวยยิ่งต่ำคนยิ่งจนแต่ไม่ใช่จนอย่างไรสมัติภาพจนขอใช้ภาษาเลยคนจนมหาสัรร์คนยิ่งจนจนมหาสจัจย์เนี่ยคนจนที่เป็นคนอาริยะจนอย่างอาริยะเนี่ยยิ่งจนยิ่งประเสริฐจนจนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือตัวกูของกูแล้วก็อยู่กับสังคมหมู่กลุ่มทุกวันนี้อาตมาพูดได้ดี พูดได้แล้วก็พวกเราก็สามารถรับได้เพราะมันมีตัวอย่างแล้วมีสาธารณโภคีมีระบบการกินอยู่ส่วนกลางการไม่ต้องสะสมเงินทองเป็นของตัวเองเลยอยู่กับหมู่เนี่ยไม่ใช่ยักเอาไว้แล้วดีไม่ดีโลภเอาของคนอื่นหาทางที่จะกิะดิกเอาคนอื่นยังมีท่าทีวิธีการหาทางที่จะได้ดอกเบีย้ยได้ผลประโยชน์ขายเข้าขายของเอาเปรียบเอารัดทําอะไรอยู่ในหมู่นี้กลุม่มชักผลประโยชน์อยู่ในหมู่ี้กลุ่มนี้อยู่เนี่ยน่าอาย เรือหายเลยอาจมาไม่พูดหยาบนะน่าอายเรือหายเนี่ยถ้าใ ค, ใครจะไปแปลภาษาคำว่าฉิบขอไปแม้ก็เกือบออกมาแล้วใครจะไปแปลภาษาคำว่าเรือไปอะไรก็ แ, แล้วแต่น่าอายเรือหายเลยเพราะการอยู่ในสังคมอย่างนี้จะต้องไม่โลภ คนโลภน่าเกลียดและคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองโลภแสดงกรรมเกลียโลกแสดงอาชีพโลภแสดงกรรมมันตะความโลภแสดงวาจาความโลภมาจากสังกัปปะการปรุงแต่งความคิดของตนเองออกมาให้เกิดวาจาให้เกิดกรรมมันตะให้เกิดอาชีพทั้งสิ้นอยู่ในหมู่กลุ่มนี้พวกเรามีดวงตาดูออกว่าคนนี้เนี่ยแม้แต่ในมาประกอบอาชีพแฝงซ้อนอยู่ในหมู่กลุ่มเราตั้งทั้งที่นี้เป็นกลุ่มสาธารณโภคี คนดวงตาดีย่อมรู้มาแสดงการกระทำกรรมมันตะในลีลาต่างๆที่แสดงความเอาเปรียบต้องการเอามาให้เป็นสมบัติของกูได้เปรียบได้ส่วนที่จะได้มาเป็นของกูคนมีดวงตาในหมอกลุ่มพอรู้มาพูดแสดงนะพอพูดออกมาก็ รับฟังรับรู้แล้วคนที่มีปฏิภาณก็จะรู้ได้าภาษาสำนวนลีลาลักษณะการพูดอย่างนี้เป็นการจะเอาจากส่วนกลางเอาจากหมู่ที่โลภน่าเกลียดคุณไปเอาข้างนอกเขาไม่รู้ทันคุณก็ไม่ขายหน้าคุณขายหน้าอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่เขามีดวงตาเขาไม่พูดเขาไม่ว่า เพราะเขาหนึ่งเขาไม่กล้าว่าแล้วกล้าเพราะว่าเขาไปแล้วโดนโดนตอกโดนเฉาะคนที่คนที่กล้าไม่ใช่คนกล้าคนที่กล้าหรือคนที่หน้าด้านจะตอบเขากลับมาโดยที่เรียกว่าคนที่หน้าบางต้องถอยนี่เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นตัวเองนึกว่าตัวเองชนะที่ย้อนปับ๊บ กล้าวออกไปนาดานโตต่ตอบ อ, อกไปแล้วผู้ที่เขายอมนั่น่ะทั้งๆที่เขาถูกต้องเขาดีกว่านะแต่เขาต้องยอมลงตัวนึกว่าตัวเองชนะนี่เป็นจริงมีอยู่ในสังคมนะเพราะงั้นคนที่ไม่รู้เรื่องหรือคนที่อวิชชาคนที่โง่ลักษณะนี้ถ้าไม่รู้ตัวถ้าไม่เข้าใจพฤติกรรมอย่างนี้ในสังคมตัวเองไม่พัฒนาหรอกนอกจากไม่พัฒนาแล้วก็ป่วน ปวดอยู่ในหมู่ในกลุ่มตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะต่างๆพวกนี้เกิดมาจา ก, ก จ, จิตจิตปิญญาณที่มีกิเลสเป็นตัวตั้งทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักกิเลสกิเลสของตัวเองก็ออกมาทำงานสังกปะสังขารสังขารแล้วก็ออกมาเป็นวาจามาเป็นกรรมกิริยามาเป็นการกระทำเสร็จแล้วก็รวมเป็นอาชีพตังที่อากล่าวไปแล้วนะ นี่คือไวยะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ศึกษาปฏิบัติประพฤติเรียนรู้ตนเองอยู่ในหมู่กลุ่มผู้ที่มีจรณะปฏิบัติสํารวมอินทรีย์โพชเนมตะยุตาตาโภชเนมัตะยุตตาคือการเรียนรู้อุปกรณ์ที่ในมนุษย์ใช้คือเครื่องกินกับเครื่องใช้อุปโภคกับบริโภค บริโภคคือเครื่องกินอุปโภคคือเครื่องใช้คนก็เกี่ยวข้องอยู่แค่นั้นเครื่องบินก็เครื่องใช้จะรวดก็เครื่องใช้เครื่องมือหมอก็เครื่องใช้เณ่ถ้วยาจานชามก็เครื่องใช้เสื้อผ้าหนาแพรก็เครื่องใช้ห้องประชุมนี่ก็เครื่องใช้ไมโครโฟนก็เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ก็เครื่องใช้แม้แต่ที่สุดเพชรพลอยก็เครื่องใช้ แต่คนที่ฉลาดแล้วไม่ต้องมีเพชพรพลอยไม่ต้องแตะเห็นเพชพรพลอยเป็นก้อนขี้ไปได้เลยไม่ต้องมีในชีวิตก็ไม่ตกตำ่ำเชื่อไหมละ่ะชีวิตนี้เราไม่ต้องมีเพชพรพลอยเลยไม่ตกตำ่ำนอกจากไม่ตกต่ำแล้วยังทำคุณค่าประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างดีด้วยแต่ถ้ามีเราก็ใช้เป็นเพชพรพลอยเราก็ใช้เป็นถ้ามีแต่ไม่ได้หลงมันเลย มันมีคุณประโยชน์อะไรที่จะใช้แม้แต่ที่สุดเอาไปใช้ตกแต่งบางที่บางแห่งเพื่อขู่คนบ้างก็ทําเช่นอัตมาเอาทองมาหุ้มพระเจดีย์ขู่คนบ้างเล็กน้อยแต่เสร็จแล้วพระเจ้าท่านก็ไม่ยอมอุตส่าห์จะอวดทองท่านก็ไม่ให้อวดทองคําดําได้ทองคำำําขึ้นสนิมได้เจ้าพระคุณเอยอโศกทองคําจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นทองปลอมนะ อัตมาพากันพวกเราทําทํากับมือตรงนั้นไม่มีใครมาปลอมแปลงเลยแล้วมันก็เกินเหตุปัจจัยของมันและทางวิทยาศาสตร์มันจริงมันเกินเหตุปัจจัยมันมันดำไม่ใช่เพราะทองหายไปมันไม่หายแต่มันมีเหตุปัจจัยแล้วไม่ไม่ยาวความถ้าใครรู้แล้วว่าเหตุอะไรมันถึงมาดําไม่มีปัญหาอะไรแต่ทองมันยังอยู่ครบไม่มีปัญหาหรอกแต่ทองก็เหมือนกับกิษสนิมมากินทองมันขึ้นสนิมไม่ได้ทองมันมีกินสนิมในตัวมันเองแต่มันเป็นของผสม มันมีตัวเนื้อนิกกิมันมีทองเหลืองมันมีอะไรต่างๆนานาและวมาเกิดปฏิกิริยาเอาละไม่ต้องพูดยาวเพราะงั้นในธรรมมของพระเจ้าเรารู้จักเครื่องกินเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแล้วเราก็ประมาณหรือลดใช้อุปโภคบริโภคอย่างมีสาระเท่าที่จะอาศัยและน้อยที่สุดอับปิจฉะแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สูงประหยัดสุดใครทําได้คนนั้นวิเศษไม่ใช่มาฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟอือยเพราะเราไม่จําเป็นจะต้องสะสมไม่เป็นของเราเขายังสะสมไม่เป็นของเรากิเลยัยงนะอัตมาภาคภูมิใจที่ชาวโศ่เราคนที่สละได้มากมีค่ารวมใช้ได้ยังงุ๊บงี้ไปที่ตัวเองก็เหลือน้อยและละอาย คนละอายคือเทวดาการปฏิบัติอปปน ก, กับปฏิปทาสมสำรวมอินรีโพอเชเนมันตัญญาชาคริยเนั้นนุโยค่าหมายความว่า ค, ค, คนหลุดพ้นคนตื่นจากโลกีและก็หลุดพ้นปฏิบัติตนออกพาจากโลกีหลุดพ้นออกมาจากโลกีจากชาคริกะตื่นรู้แล้วก็หลุดพ้นออกมาได้ผู้ที่หลุดพ้นมาได้ก็ใช้ภาษาเรียกส่า พ, พุท ธ, ธพุท ธ, ธะก็แปลว่าตื่นชาครียะก็แปลว่าตื่น พระพุทิที่หลุดพ้นออกมาจากการปฏิบัติที่รู้ตัวว่าตัวเองยังจมตัวเองยังไม่ตื่นตัวเองยังงมงายยังวงวนอยู่กับสุขทุก ๆ, ๆ, ๆยังหลงวนอยู่กับราบก็สันเสรินโลกีจะสุขกับกามกับอัตตาตื่นแล้วโอ้โนี่เรามีอัตตาเรามีกามโอ้เรายังเป็นธาตุสันสซินยังเป็นธาตุลาบยังยังเป็นธาตุศลดกิเลสพวกนี้ได้มาเรื่อยๆหลุดออกมาหลุดมามาเป็นพุท ธ, ธมาเป็นพุท ธ, ธตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาคนที่ยังไม่ตื่นก็คือคนนอนหลับ นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนั่นคือคนโลกีอยู่ในน้ำอาศัยน้ำสุขทุกข์อยู่กับน้ำแต่ไม่รู้จักน้ำหลุดพ้นออกจากน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาขึ้นบกไม่ได้ทีจริงนกมันตกฟ้าไม่ได้นะแต่ใช้สำนวนเหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนกก็ลงฟ้า ตกจากฟ้าไม่ได้ลอยฟ้องอยู่บนฟ้านั่นแหละตกจากฟ้าไม่ได้แล้วก็สุขทุกข์กอยู่กับฟ้าปลาก็สุขทุกข์อยู่กับน้าหลุดออกจากน้ําขึ้นบกไม่ได้หลุดพ้นออกมาจุดหลุดพ้นจากโลกของน้ําไม่ได้จมอยู่ในโลกนั่นแหละโลกของตัวเองโลกโลกีลกกน ะ, ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ตื่นปฏิบัติตนจนตืน่นจนหลุดพ้นนั่นคือผู้ที่มีอ ป, ปนักะ ปฏิปทามีการประพฤติที่ไม่ผิดเพราะการสังวรสํารวงการปฏิบัติคืออะไรโภชนเนมัตะนยุตตาเป็นตัวหลักก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคนี่แหละที่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสและเกิดความยากลําบากในโลกและติดยึดที่สุดก็คือเครื่องอุปโภคและบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นคืออะไรเครื่องอุปโภคบริโภคก็คือโอราริกอัตตา โอราดิกอาอตาเป็นของเราเครื่องอุปโภคแผ่นดินของเราตึกของเราบ้านของเราเพชรพลอยของเราเสื้อผ้าของเราอะไรก็แล้วแต่ส่วนบริโภคนั่นก็คือเครื่องกินที่ท่านแบ่งเป็นสองปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มก็ที่อาศัยอาหารกะยา เป็นเครื่องอุบบริโภคที่อยู่อาศัยกับเรือนคือเครื่องอุปโภคแบ่งเป็นสองสว่วนเพราะยังยึดสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกูของกูยึดการยึดในไม่ได้หมายความว่าหอบหอบไว้เป็นสมบัติเท่านั้นแม้ให้ไปแล้วที่ดินยกให้ไปแล้วจิตก็จะบอกของกูของ ก, องกูใครมาอยู่ที่ของกูนี่บางว่า กูยก <ura> ให้เขาแล้วนะแต่ก็ยังของกูอยูน่นะใครไปทําอะไรไม่ค่อยชอบมาพาคนก็บอกนี่ทําไม่ทําอย่างนี้ได้ไหมไปจุ่งวุ่นวายจุนจานกโจเกี้ยวการอย่างนแน่ๆก็ให้เขาไปแล้วนะแต่ก็ยังช้าเรื่องจําและยังใช้ความยึดของตัวเองว่าต้องอย่างนี้นะต้องอย่าอย่างนี้นะต้องไป มีส่วนที่จะต้องเป็นเจ้าของเจ้าของอยู่กับเขาอยู่ยงั้นน่ไม่ปล่อยไม่วางจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เงินทองทานไปแล้วก็ยังนึกว่าเออกูมีบุญคุณกับเองนะแม้ไม่สัมพันธ์กันนะกูก็เองเนี่ยกูมันควรจะมึงเนาะอเองนี่ก็ค่าอาตมาในชีวิตเนี่ยนะ พูดกูมึงไม่ออกพูดจริงๆเนี่ยนะกับเพื่อนเพื่อนมันใช้กูมึงกับเราเฉยเลยนะเราก็อืได้อย่างเก่งก็คือข่าก็เองหรืออ้วได้แค่นี้หรืออ้วนอ่าฆ่าเองเพื่อนมันกูมึงมึงกูกูมึงจะพูดกับเราก็มึงจะพูดกับตัวเขาว่ากูอยู่จยงสบายเป็นปกติอาตมาก็เออกูมาเองไป ข่าเองหืออ้วกเขาก็กูกับมึงเราก็ใช้กับโทรศัพท์มันพูดไม่ออกกูมึงนี่อาตมาพูดไม่ออกแต่นานแต่ไรพูดกับเพื่อนเพื่อมันพูดกับอาตมาก็พูดกูมึงหลายคนไม่ต้องเอาใครอสุเทพมังแงงนี่ยก็พูดกอาตมากูมึงแต่อาตมาก็หรือเองบางทีก็สับกันไปเองข่ า, าหรือ อ, รอ้วกกูไม่ออกอแต่นายแต่ไรมา ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นบารมีเป็นสิ่งที่เราถือว่า น, นี้มันหยาบแล้วเราก็ไม่ใช่มันก็เป็นไปตามแต่ก่อนไม่รู้หรอกมันเป็นที่มารู้นี่มารู้ทีหลังมารู้มามีธรร ม, มะแล้วว่าโอแม่แต่ภายสาบัญญัติที่เราใช้มันก็เป็นเองเนาะมันก็เป็นของมันโดยที่เราแล้วไม่เจตนานี่ก็หยิบมาล่าให้ฟังแส่แถมทีนี้อปรรกะ์สามนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติไม่ผิดแล้วเกิดสัพทมเจ็ด เกิดศรัทธาหิริโอตปะพาหุสูตรพาหูสูตรหรือพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญาเจ็ดมันเป็นนามธรรมคุณเกิดเชื่อโอ้เชื่อว่าเราเลิอกอันนี้ละอันนี้ปลดปล่อยอันนี้หลุดพ้นอันนี้กิเลสตัวนี้ตายคุณจะเชื่อเชื่อเพราะคุณมีปัญญาข้อสุดท้ายของสัตรรมวิรยิยะสติปัญญาปัญญาปัญญีนสีปัญญาภละมันจะเกิดตามขึ้นมาเป็นศรัทธา ประกอบกับศรัทธาเชื่อไม่ใช่เชื่องมงมงายไม่ใช่เชื่อไม่เป็นวิทยาศาสตร์เชื่อเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อเป็นปัญญายาณที่ได้พิสูรจรน์จริงเห็นจริงเพราะคุณเริ่มต้นมาปฏิบัติคนที่มีฮิริสัตธรรมข้อที่สองศัทธาฮิริโอตตะปะปวงหุ ส, รร ส, ส, รรสุคุณจะเกิดจิตละอายจริงจริงเออเรารู้นะว่าเราทำกรรมกริยาของอาชีวะอันนี้อยู่ในมือ มันน่าอายเราไม่น่าทาไปทํากับข้างนอกเขาไม่ถือสาเขาไม่มีใครรู้ทันมาทําที่นี่เพื่อนมันมีตาทิพมันรู้ทันว่าว่าเรามาขี้โลภกับมันเรามาลวงตับกินไส้เขาเรามาเอาเปรียบเขาเราไม่ไม่เสียสละเหมือนอย่างมูคนที่มีปัญญารู้อย่างนี้ก็จะหิริไม่ทําในมูแต่ไปทาในคนข้างนอกพวกคนข้างนอกมันไม่รู้ แล้วมันก็ถือว่าเป็นหลักทุนนิยมไม่เป็นไรนี่เอากำไรไม่ส่วนสามมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียสละมันไม่ได้หรอกมันต้องขายเอาเกินมันต้องทุนนิยมก็ต้องขายอย่างนี้แหละขายอย่างนี้แหละคุณก็ทำกับเขาได้ไมันไม่น่าอายเพราะไม่มีใครโทษคุณคุณไม่อายได้นะแต่ในหมู่คุณจะอายนี่ก็รู้จากกลุ่มหมู่รู้จากกาละเทศสถานะ อ, อสถานะนี้ควรทาบริษัทนี้ควรทาบริษัทโนน ไม่ควรทำเพราะบริษัทนู้นเขารู้ทันเราหน่าอายเขาก็จะไม่ทําในหมู่บริษัทที่ไม่ควรทําจะมีฮิริทสูงขึ้นก็มีโอตปะไม่กล้าทำโอตปะนี่คือไม่กล้าหรอกว่ามันไม่ดีน่ากลัวอันนึงเกรงแต่ยังแล lap เลียๆเพล่เพล่ทำบ้างแต่ก็สมัมมลสมบัติรู้ทันตัวเองบ้างแต่โอตปะนี่ไม่เอาเลยไม่กล้าเลย ถ้าทำแล้วจะรู้สึกบอกหืมตัวนี้กริ๊ตตี้เลยตัวนี้ไม่สบายใจเลยนั่นคือความสํานึกที่แท้จิตที่แท้ของเทวดาจิตที่แท้ของผู้ที่ศึกษาธรรมะจิตวิญญาณสูงขึ้นจิตวิญญาณเทวดาคือจิตที่สูงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีพระพุสูตรมีพระพุสูตรคือความรอบรู้ก็จะรู้ในธรรมะจะรู้ในคุณค่าของความจริงบางทีสูงขึ้นสูงขึ้ น, นเรื่อยๆพระุสูตร เมื่อรู้ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้สูงขึ้นจเจริญขึ้นมีพหูสูตรขึ้ น, นเรื่อยเป็นคนสูงขึ้นเรื่อยคนเจริญขึ้นเรื่อ ย, นนอยวิริยะก็ต้องเกิดภาคเพียรเอาเวลาเอาอะไรแต่อะไ ร, ต, รต่างๆมาโถมให้เราจะไปขยันหาเงินเราจะไปขยันทำสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่าไปขยันเลยมาขยันในทางธรรมมาขยันในทางภาคเพียรปฏิบัติหรือหมู่กลุ่มี่พากันปฏิบัติ มิดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาทําอันนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเลิกงานนั่นได้มาทํางานนี้และยิ่งไม่จําเป็นจะต้องมีเงินอาตมาแม่อาตมาว่าบํานาญของคนนี้มันฆ่าคนนะบำนาญของคนนี้มันฆ่าคนพวกคนที่มีบํานาญนี่มีได้ไรายได้มาจากรัฐให้มาฟรีๆไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรแล้ว เอาเวลามาปุยิปุยยำทําอะไรได้อิสระเสรีภาพใช่ไหมแล้วเงินบํานาญตกเดือนก็ได้ตกเดือนก็ได้เงิน น, นนี้เขาก็ถือว่าเป็นเงินของเขาแล้วเขาก็เอามาอาศัยจะมาแบ่งเพราะข่ามีเงินบํานาญข่าสามหมื่นหกหมืน้าก็ใช้อํานาจเงินโดยไม่รู้ตัวมันฆ่าเขาเพราะเขาจะไม่ลดไม่ละอะไรบ้างเพราะลอง เอาละเราได้บำนาญเราจะเป็นเลิกกิจไม่รับการัฐก็เอาไปแต่ถ้ารับมาเราก็เอามาให้กองกลางเราเอามาให้ส่วนส่วนรวมเสียแล้วเราเป็นคนไม่มีเงินดูีิจะรู้ตัวว่ามันจะอยู่ไหวไหมหรือลดลงเราได้บร น, บนาญบำนาญตั้งหกมื่นเอามาให้หมู่ส่วนกลางสักสี่0มืน 40, เอาไว้แค่สอง0 0ื่นมันก็ไม่น้อยนะถ้าได้บนานาญมาสองหมืนให้ส่วนกลางไปเลย หมื่นห้าเอาไว้ห้าพันหรือให้ไปหมดเลยที่เป็นการทดสอบเป็นการฝึกปฏิบัติที่แท้จริงการไม่มีเงินเลยอยู่กับหมูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหวิเศษเพราะฉะนั้นคนที่เขาได้มามีพวกเราอาตมาเห็นกระจกงอกห่อยเดี๋ยวก็ลูกให้มาเดี๋ยวก็พี่ให้มาน้องให้มา ให้มาทท่ะร้อยเท่าพันได้มากก็ไม่ใช่ไม่อะไรแล้วก็อยู่กับหมู่แล้วก็เอามาเข้ากองกลางส่วนคนที่ได้บำนาญทีาสองหมืนห้าหมืนทบุญทีบ้างโกโก้ทาบุญทีบ้างโกโก้เสริมอัตตาด้วยทําบุญบางทีเสริมเสริมอัตตาด้วยสิ่งเหล่านี้คือความไม่รู้จักอัตตาทั้งสิน้นอาตมาคงไม่มีเวลาที่จะไปอธิบายอัตตาหมดทั้งสามอัตตาแล้วละ่ะ ขยะาอัตราโอราทิกะนี่โอราทิกะอัตราทั้งนั้นอย่างเดียวนี่ก็มากมายนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ศึกษาดีๆเราก็จะไม่เกิดสัตยธรรมเจ็บจะไม่เป็นเทวดาก็จะเป็นผีนรกอยู่ในโมกลุ่มนี้แหละหาทางเอาเปรียบเอารัดหาทางเลี่ยงหาทางซอกแซนใช้กลยุทธ์ใช้กลวิธีซับซ้อนเพื่อที่จะเราเราดูเครื่องดูดี ดูไม่เป็นอะไรแต่ที่แท้เนี่ยไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้เสียสละไม่ได้ลดได้ละไม่ได้ขัดเกลวไม่ได้กล้าแม้แต่อุราธิกะอัตตาดังกล่าวนะสั์สลิงคันขับสมบัติพัชฐานก็เข้าของเงินเข้าองเงินทองเอาเธอมาปลูกบ้านในบ้านกูอาตมาพูดทิ้งไว้แค่นี้อ่านตนเองซิว่า บ, บ้านกูนี่กูเบ่งขนาดไหน กูจะใช้ให้ใช้ประโยชน์แล้วกูจะปล่อยวางไม่ใช่บ้านกูเนี่ยขนาดไหนฝากไว้ให้เรียนรู้ตัวเองให้ดีๆคำว่าบ้านกูตัวเดียวนี่ก็เถอะใครมีมีกันหลายผู้หลายคนมีเจ้าของบ้านหลายคนก็ดูซิว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไรดูซิอ่านเอาเออคนนี้เจ้าของบ้านเขามีลีลาอย่างนี้เนาะมีชีวิตอย่างนี้เนาะเขามีบ้านเหมือนกันบ้านมันเข้าใช้ประโยชน์ได้มากได้น้อย บ้านของบางคนนี่ใช้ประโยชน์ไม่ได้บ้านได้น้อยหรอกอย่าว่าจะใช้ประโยชน์ไม่ได้บานไดน้อยอบ้านสวยบ้านใหญ่ด้วยนะใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะอย่าแตะนะเปื้อนแล้วนะนะเข้าไปต้องเช็ดเท้าถูเท้านี่นะอย่าก็มานอนนี่อย่าเอากลิ่นอย่าเอาผ้าอย่างนี้เข้ามานะสิ่งเหล่านี้คืออะไรก็ไม่อธิบายเมื่อใครไม่รู้ก็โง่ต่อไป ซึ่งเรานี่เป็นการส่อสแสดงถึงความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนว่าเรายึดตัวกูของกูอันนี้ตัวกูอันนี้ของกูตัวกูคืออัตตาของกูคืออัตตนิยาอัตตนิยาเนี่ยหยาบกว่าอัตตาอัตตานิยาเนี่ยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นของกูเป็นวัตถุเป็นตัวตนบุคคลเป็นอะไรอีกเยอะส่วนอัตตานี้ เป็นอุปาทายรูปไม่มีแล้วไม่ต้องมีวัตถุข้างนอกแล้วมันยึดเป็นตัวมันเป็นของกูของกูของกูทั้ทงๆ ท, ที่ทิ้งไปแล้วข้างนอกไม่มีแล้วมันก็ยังของกูของกูง้โอยมันเป็นตัวตนจริงๆเลยแค่พูดก็ยังเหนื่อยเลยแล้วคุณยึดคุณไม่เหนื่อยโอ้ยทนจริงทนจริงๆใช้คาว่าทนไม่ค่อยจะรู้สึกด้านจริงๆคอยรู้สึกนิดนึงภาษาไทย วันนี้เทศอร่อยนะรู้สึกว่ามีพริกมีน้ำร้อนอมีพริกมีน้ำร้อนมีบอระเพ็ดโอ้หลายอย่างเนาะเทศวันนี้หลายอย่างเทศดีๆฟังนี่ดีเพราะคนเราจะปฏิบัติมีจรณะสิบ้าหนึ่งศีลจะต้องให้เหมาะสมตัวเราเอง ตั้งศีลเคร่งเกินเราเก่เคร่งเกินตัวทำไม่ได้อย่าอวดใหญ่ว่าฉันศีลสูงฉันฉีศีลมากให้เหมาะสมกับตัวเองแต่ถ้าศีลหลวมๆไม่ขัดเกลา่าไม่พัฒนาศีลจะต้องมีความตั้งตนอยู่บนความลำบากอันพอเหมาะทุกขายะอัตานังทุกขายะปนเมอัตานังปังตตาหิ ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญริงทายทาสุ ข, ขังโขเมวิหารโตปล่อยตัวตามสบายมันบำเรอกิเลสแล้วพปัญหาศีลจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องขัดเราต้องฝืนถ้าไม่ฝืนไม่ขัดเกลาตนเองไม่ได้ขัดเกลาพอสมควรบางคนก็ขัดเกลาได้แรงได้มากบางคนมีจริตชอบหนักหนักขัดเกล้าแรงแรงก็เอา นั่นก็คือปฏิปทาสี่ทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาสุขขาปฏิปทาขีปปาปิญญาหรือทันถาปิญญาทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาทุกขาปฏิปทาทันถาปิญญาหรือสุขขาปฏิปทาทันถาปิญญาสุขขาปฏิปทาขิปาปิญญาขิปแปลว่าเร็วทันถาแปลว่าช้าทุกกะแปลว่าลาบากสุขก็แปลว่าสบายก็เท่านั้นเอง เพราะบางคนชอบสุขสบายสบายแต่ช้าบางคนสบายสบายแต่เร็วก็บารมีใครบารมีมันบางคนชอบไม่สบายสบายเอาเข้มเข้มหน่อยเกร่ง เ, เหน่อยทุกขาปฏิปตาบางคนก็ได้เร็วกิบปาปัญญาบางคนก็ได้ช้าทัานตานปัญญาบารมีใครบารมีมันและจริตใครจริตมันเพนะราะงั้นในการปฏิบัติ ศีลของใครก็ต้องดูให้เหมาะสมแล้วเพิ่มอธิศีลขึ้นอย่าแช่อยู่ที่ศีลที่ได้แล้วก็ได้แค่นั้นแหละแล้วอีกกี่ชาติก็เลยได้อยู่แค่นั้นมันจะไปไหนเราต้องตรวจสอบวเออเราได้แล้วนี่ควรจะเพิ่มศีลควรจะเคร่งขึ้นอีกแม้แต่ศีลในข้อเดียวก็มีนัยยะที่มันสูงขึ้นเข้มขึ้นได้หรือศีลหลายข้อหลากข้อขึ้นก็เพิ่มกันไปศีลหนาศีลแปดศีลสิบในศีลหน้าศีลแปดศีลสิบก็มีความ เข้มข้นหนาขึ้นแต่ละข้อแต่ละอย่างข้อหนึ่งเราจะเติมให้มันแข่งขึ้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ปฏิบัติเบียดเบียนสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ท่าทีนั้นท่าทีนี้แม้แต่ที่สุดไม่เลี้ยงสัตว์เลยอย่าว่าแต่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นั่นก็เป็นความสูงของอธิศีนระดับหนึ่งไม่เลี้ยงสัตว์เลยนี่สูงกว่าพูดไปแล้วที่นี่เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์เป็นโคลงเลยแต่เอาเธออันนี้เป็นหน้าที่ อันนี้เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ซึ่งมันกว้างกว่าที่อาตมาจะวิจัยเป็นการช่วยสังคมอย่างหนึ่งสําคัญใจนั้นทรมานจะตายที่เลี้ยงไม่ได้ชอบไม่ได้ไปสงสารอะไรมันมากนักหรอกคําว่าสงสารมากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่สงสารมันแต่ว่ามันไม่ได้จิตมันไม่ได้ไปผูกพันกับอันนี้แล้วคนที่ผูกพันเนี่ยยากกับสัตว์สัตว์มันก็คือสัตว์มันก็ตัวของมัน เพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิบากของมันก็มันจะมีพฤติกรรมของมันแล้วมันก็จะพัฒนาตัวของมันหรือมันก็จะรับใช้นี่วิบากของมันเช่นควายมันใช้นี่วิบากของมันควายตัวไหนที่สํานึกดีฟังดีๆนะสอนง่ายทํางานเก่งอดทนควายตัวนั้นมีวิบากแล้วมันจะหลุดจากความเป็นควายได้เร็วฟังเข้าใจไหมควายตัวไหนที่มันอดทน สอนง่ายทํางานได้ดีมีฉลาดด้วยเข้าใจง่ายสอนง่ายรู้ภาษาอะไรแล้วทํางานอดทนแข็งแรงแล้วก็ฉลาดทำด้วยนะสอนนิดเดียวก็บอกง่ายควายตัวนั้นเป็นควายมีบารมีควายตัวนั้นมีควายมีบุญแล้วก็จะหลุดจากบาปจะพ้นจากความเป็นควายไปเกิดเป็นมนุษย์ไปโกรธเกิดเป็นไปเกิดไปสู่ภพที่ดีได้เร็วกว่าควาย ว, วาที่ดือ้อควายที่เกเร ก็จะใช้นี่เป็นควายอีกหลายชาติอย่างนี้เป็นต้นเป็นไอจินไตนะเพราะสัตว์เดรัจฉานมันก็ใช้นี่ใช้กรรมของมันนะก็คืออัตภาพของสัตว์โลกนั่นแหละคุณเคยเกิดเป็นควายกันอัตมาไม่อยากจะพูดว่าทุกคนนั่นแหละนี่พูดอย่างไม่อยากพูดนะเกิดจริงๆ คนเราเกิดมานับชาติไม่ทั่วหรอกไปใช้นี่บาปนี่เวรไปใช้นี่บาปนี่เวรแล้วกว่าจะหลุดนี่บาปนี่เวร น, นั้นมาได้โอ้กว่าจะหลุดมาเป็นควายร้อยชาติมาเป็นควายห้าร้อยชาติกว่าจะหลุดออกมาได้กว่าจะเป็นควายพัฒนาทางบุญสร้างบุญมากกว่าบาปเป็นควายเกเรก็สร้างบาปต่อเป็นควายบุญก็สร้างกุศลคนจะรัก ควายที่ดีคนก็จะรักแล้วก็จะอคอยดูแลเอาประถมคำจูถึงปลดกเกษียณเขาก็ปลดกเกษียณเลี้ยงไปจนตายเองควายตัวที่ดีแล้วควายอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็อธิบายลักษณะจริงให้ฟังนิดหน่อยเนะอาทีนี้มาเข้าเรื่องศีลโพชเนมันตัญย์ตาชาคิยาบบ น, นิสบุรินทร์ศีโพชเนคุณมีการสํารวม การสัมบรณ์นี่สัมบูรณ์ยิงตามหูจมูกลิ้นกายใจสัมรว์แล้วก็สัมผัสเกี่ยวข้องมันก็จะเกิดสังขารสังขารกายสังขารใจสังขารข้างนอกสังขารข้างในคุณจะรู้จักสังขารเพราะอวิชานี่แหละไม่รู้จักสังขารพระเดี๋ยวจะไปที่ปฏิเสธมวาตหมดเลยมันก็จะยาวเพราะอวิชาคุณจะไม่รู้จักสังขารเพราะงั้นคุณไม่รู้จักสังขารคุณมั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณแบ่งไม่ออกเลยวิญญาณเป็นอะไรอย่างไรคุณจับวิญญาณไม่ถูกคุณแบ่งนามรูปไม่ได้ผัสสะอายตนะหกคุณ เมื่อแยกไม่ได้คุณจะไปแยกอารมณ์เวทนาวิเคราะห์วิจัยตัณหาอยู่ในเวทนาไม่มีทางเจอปฏิจจสมบาทก็คุณไรอวิชไรวิชาคุณก็อวิชาเป็นนิรันดรฟังให้ดีๆอัตมาวิจัยให้ฟังนี่จะชัดๆทีนี้เข้ามาหาจารณะเมื่อคุณสังวรสำรวจอินทรีย์หแล้วคุณก็เรียนรู้เมื่อสังวรแล้วคุณก็เรียนรู้ คุณก็มีโพชฌงค์คุณมีธรรมวิจัยคุณมีวิริยะและคุณก็จับกิเลสได้คุณก็ฆ่ากิเลสได้ในสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคทั้งหลายคุณก็หลุดพน้นคุณก็ตื่นคุณก็ออกมาจากโลกีออกมาเรื่อยโดยสัตทธรรมเจ็เกิ ด, ดเรื่อยๆสัทธาเกิดฮิริเกิดโอตตปะเกิดพระหุสูรก็คือสําเร็จไปในตัวเป็นคนรอบรู้ไม่ใช่รอบรู้แต่ไปท่องบนเป็นเลนเนตเลนเนตแมน ท่องจำเก่งเรียนรู้แต่บัญญัติปริยัติแล้วกมตติราคาฉันจบ ด, ด็อกเตอร์มาราคาของวิชาการต้องเท่านั้นเท่นี้นี่เป็นการตั้งราคาเอาเปรียบเสื้ออาตมาเคยพูดว่าคนที่เรียนจบมาในด็อกเตอร์เวลามาสตาร์ทงานต้องเท่ากันเริ่มต้นคุณมาทํางานคุณต้องสตาร์ทได้อัตราเท่ากันทั้งเงินเดือนและหน้าที่ก็คุณเรียนรู้มามีโอกาสมีบุญ พ่อคุณรวยคุณก็ไปเรียนจบปริญญาโทวิทยาเอกมาคุณมีบุญส่วนหนึ่งคุณมาสตาร์ทำงานแข่ง ก, กันกับคนที่เขาไม่ได้เรียนเพราะเขาไม่มีบุญเขาก็มาทํางานถ้าเขาทํางานเก่งกว่าคุณคนที่ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เขามีสมรรถนะเขาทํางานนตอนนี้เขาไม่ได้เอาปริญญาใบอันนั้นมาอวดมาอ้างมาตีราคาเขาเก่งกว่าคุณต้องให้เขาเจริญต้องให้เขาขึ้นขั้นคุณจบด็อกเตอร์มาแต่ทําไม่เป็นคุณจงอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็เงินเดือนต่ํากว่าคนที่ ไม่จบดอกเตอร์นี่ไปนี่คือสัจจะแต่ทุกวันนี้มันไม่มันตีราคาพวกนี้ข้ามขั้นกันหมดแล้วไปบริหารและไอ้คนบริหารงานไม่เป็นเบงเบงอำนาจแล้วก็เล่นเล่ด้วยนะเองไม่ค่ขากแก๊กเองขากแกล้งทำอะไรก็มีอำนาจน่ะนี่คือความเจ้าชนซับซ้อนที่ในสังคมไม่เป็นสัจจะเลยคุณมีบุญได้โอกาสไปเรียนหรือคนมีบุญทางสมองคนมีบุญทางความฉลาด ก็สอบชิงทุนได้ไปเรียนก็ดีแล้วนี่คุณมีบุญส่วนหนึ่งเวลาสตาร์ททางานคุณต้องเท่ากันหมดคุณมาตั้งให้อันนี้เหนือกว่าการนั้นผิดระดับเลยเพราะไม่ได้ใช้สมรรถนะช่วยสร้างช่วยทํามันไม่พิสูจน์ความจริงเมื่อคุณได้เรียนมาคุณมีโอกาสก็ได้ไปเรียนมาแล้วคุณทั้งรู้ทั้งได้ฝึกมาด้วยคุณควรจะชนะคนที่มันไม่ได้เรียนสตาร์ทเท่าคุณถคุณเก่งจริงคุณก็ต้องชนะเขาเร็วด้วย ใช่พราะคุณได้เปลี่ยนมาแล้วอะ่ะแต่ทีนี้หม่ได้เปลี่ยนขึ้นไปเลยแต่ซับซ้อนเลยทีนี้กลายเป็นสร้างอํานาจกลายเป็นฐานวตกลงบ้านเมืองถูกบริหารด้วยวิธีนี้ลูกคนรวยเลียนทางรัฐไปออกปริญญามาแล้วมาบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองทีจีบายหมดคนในระดับที่เป็นงานกรรมก ร, รหรือการมาชีพจึงถูกตีค่าอยู่ข้างล่างตลอดกาลนานนี่คือสังคมที่เป็นจริงอยู่ในโลก พันสังคมโลกุตระสังคมอาริยะที่อาตมากําลังจะพลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูปร่างให้ดูแต่จะมีดูเท่านั้นจะช่วยโลกทั้งโลกไม่ได้ธรรมชาติเท่านั้นจะช่วยเพราะฉะนนั้วิกฤตสังคมวิกฤตโลกจะเข้ามาล้างคนให้คนช่วยไม่ได้อาตมาพาไปทําให้ดีได้ยังไงก็จะได้ส่วนหนึ่งและพวกเรานี่จะเหลือนี่ก็เล่าอาจินตายให้ฟังพวกเราจะเหลือแล้วพวกเราก็จะสร้างโลกต่อไป แล้วก็อีกนานกว่าพระศรีอาริยเมตไตรจะมาเกิดเพราะโลกนั้นจะสงบไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าโลกนั้นไม่มีพุทธเจ้าเป็นพุทธันดรไปอีกนานไม่ต้องเป็นโลกที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคนเป็นอยู่สุขทรัพยากรวัตถุดิบธรรมชาติก็เยอะกินไม่หมดใช้ไม่หมดไม่ต้องแย่งกันมาจองสัมปทานไม่ต้องคุณมีแรงคุณทําก็ไป คุณจะขุดแร่ขึ้นมาก็ขายไม่ออกเพราะทุกคนมีแร่ไปขุดมาทำไมอ่ะแม้แต่ทองคำก็ให้มันทิ้งอยู่นนะต้องมาร่อนต้องมาหลอมต้องมาหลอ่อไม่ต้องแล้วไปอวดใครด้วยอ่พะพอมันไม่เบ่งขมกันแล้วอ่ะคนมันมีมากเท่ากันอยู่นี่คือความจริงที่มันมันจะไม่มีอะไรที่จะต้องแย่งจริงไม่มีอะไรที่ต้องตีรันบันแทงกันข้าก็เดินไปเก็บในทุ่งนานะก็เลือกิน ไม่ต้องไปสะสมด้วยอยากกินไม่ได้เดินเอาหม้อข้าวไปหุงตรงนาเลยแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ทิ้งหม้อข้าวไว้ตรงนั้นไม่มีใครขโมยพูดให้มันมากๆเงี้ยมันเป็นอยู่สุขสรุปแล้วภาษีอา จ, จะเกิดอีกนา น, นและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลมลางได้ลมลางไม่ได้หรอกสิ่งนี้เป็นจริงคนชั่วทำชั่ว ฟังความนี้ให้ได้คนชั่วมันฆ่าคนได้แล้วคนดีไปห้ามมันไม่อยู่ด้วยมันฆ่าคนดีนั่นแหละเพราะจะไปต่อแย่มันมากปล่อยให้มันทำชัว่วได้จะไปเป็นส่วนต่อแย่ให้มันมาตัวเราเป็นตัวเป้าให้มันมาฆ่าเราโง่เอาทีนี้ต่อสัตว์ทาเจ็ด เกิดจากการปฏิบัติอปนกธรรมสามที่อธิบายมาบ้างแล้วคร่าวๆมาถึงสัตรธรรมเจ็ดสัตรธรรมเจ็นี่เกิดนี่แหละคือการสังเคราะห์ให้เกิดฌานฌานสี่นั่นคือจิตลดกิเลสกิเลสนิวรณ์หมดจะเป็นกางเป็นพยาบาททีนมิธาอุตจักุกุจจะวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือตัวพ้นปัญญ า, าพ้นความไม่รู้ พนอวิชชาพ้นความสงสัยเป็นปัญญาที่แท้มันจะชัดเจนมันจะเห็นจริงมันจะรู้จริงขึ้นมาเพราะงั้นกิเลสแท้ๆก็คือทิศทางสองด้านในภพคือถินมิทักับอุตจักรนอกภพคือกามกับโทสะหรือพยาบาทเพราะฉะนั้นผู้ใดคุมกามที่ออกมาอารวาสข้างนอกคุณมีกามในจิตคุณไม่ออกไปรบอารวาสข้างนอกเลย คุณไม่เสพกามข้างนอกเลยมันไม่ไปเบียดเบียนใครหรอกคุณเบียดเบียนตนคนเดียวคุณมีพยาบาทคุณมีโกรธคุณไม่ออกข้างนอกเลยมันไม่เบียดเบียนใครมันเบียด ค, คุณคนเดียวการกับพยาบาทเพราะนั้นมันจะเป็นภัยต่อข้างนอกแต่ถ้าคุณกดข่มไว้หรือคุณไม่สามารถให้มันออกไปเป็นลีลาข้างนอกเลยการก็ดีพยาบาทก็ดี มันไม่มีเบียเบียนไขมันเบีเบีนคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าให้มันออกข้างนอกแล้วคุณก็อย่าให้เบียดเบียนตนลดมันซะสิการก็ดีพยาบาลก็ดีเอามันไว้ทำไมเล่าสองมันจมเกินไปเลยวัตทินมิถะจมจนคุณไม่รู้สัอีกอันหนึ่งมันฟูเกินไปจนคุณไม่รู้มัน ฟุงมันฟูมันหายไปไกลไปไหนก็ไม่รู้กระเซ็นกระสายจนจับไม่ติดก็เรียกว่าอุทธจักก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะที่คุณจะต้องรู้ลักษณะมันวันจิตของคุณจมคุณไม่รู้เลยตืไม่เห็นไม่เข้าใจหรือคุณเกาะกลุมกันแน่นจนกระทั่งคุณตีมันไม่แตกนั่นคือทีนามิตะตีมันจนกระจายจับไม่ติดเลยจับอะไรมาทําลายจับอะไรมาใช้งานก็ทําไม่ได้นั่นคืออุทธจัก ที่กระจายสภาวะทมให้ฟังเพราะฉะนั้นในจิตปัญญาที่มีลักษณะพวกนี้คุณก็ต้องเรียนรู้ละล้างเลิกละจัดการให้หมดสรุปแล้วมีนัยยะที่ท่านยนย่อไว้ทั้งหมดนี่วอนหนี่เท่านั้น น, นี่วอนห้าเป็นอาหารของอวิชชาทั้งหมดแล้วนี่วอนห้ามันเกิดได้จากเพราะมันมีกายกรรมประจิก ร, ร ม, มนโนกรรม แล้วเรียกว่าทุจริตทุจริตสามกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นอาหารให้นิวรนาเพราะฉะนั้นถ้าผูดใดสํารวมอินทรีย์หกแล้วก็ไม่ให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามหลักมรรคองแปดควบคุมได้ทั้งสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะเพราะคุณสํารวมอินทรีย์คุณก็ควบคุมกรรมสามได้ควบคุมกรรมสามได้ ว่าไอ้ิวอรห้าก็ลดลงไปทั้งนอกและในนี่นอกและในด้วยนะมันควบคุมกรรมสามแต่ถ้าควบคุมในใจได้ก็ได้ในควบคุมนอกไม่ได้มันก็มีผลวิบากเพราะฉันคนจะรู้เช่นนี้สำรวจอินซีเป็นอาหารของกรรมสามทุจริตสาม สติสัพพัญญาเป็นอาหารของสำรวจอินทรีย์เพราะฉะนั้นคุณจะสำรวจอินทรีย์โดยไร้สติสัปชัญญะไม่ได้สำรวจอินทรีย์ต้องมีสติสัพชัญญะรู้พร้อมรู้ตาหูจมูกดินกายใจมันมีลีลายังไงมันเกิดการยังไงมีสัมผัสยังไงแล้วเกิดอานาจการยังไงอารมณอยังไงเมื่อเกิดปรุงแต่งยังไงกันแล้วมีปัญญามีสัพพัญญาปัญญามีสติสัพพัญญะปัญญามีธรรมวิจัย มียานวิปัสนาญาณมียานมันรู้หมดเลยในโพชฌงค์คุณจะมีอะไรเกิดก็ทำมวิจัยสัมปชงรู้มีสติแล้วก็มีทรมวิจัยสัมป ช, ชงอ่านออกสติปัฏฐาน4ี่กายกายานุปสัสสกายานุปัสนาเวทนาในเวทนากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรมันยังอยู่ธรรมะแปลว่ายังอยู่ อะไรมันยังทรงอยู่ตัวกิเลสนั่นแหละมันยังยงอยู่อาการที่เป็นทุจริตอาการที่เป็นอกุศลนั่นแหละมันยังอยู่ทําลายอาการทําลายพฤติกรรมทําลายตัวตนตัวตนของกิเลสที่เป็นตัวการมันทําลายตัวตนแล้วมันก็ไม่มีตัวอะไรมาออกอาการมาออกพฤติกรรมคุณทําลายกําจัดมันได้จริง ขณะที่คุณทำลายกำจัดมันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนั่นคือการทำใจในใจเป็นมะนสิการคุณทำใจในใจทำอะไรก็ทำให้กิเลมันเบาบางทำให้กิเลมันตายไม่ได้ทำอื่นนักทำให้ลีลาทำให้พฤติกรรมของจิตมันลดบทบาทในทางชั่วแต่มันเป็น รรหรือมีบทบาทในทางดีที่ดีดียิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นเป็นกุศลยิ่งขึ้นกุศลธรรมจึงเหลือแต่กุศลธรรมที่ส่งไว้ซึ่งกุศลเป็นกุสลสสุภสรรมัมตทาอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมหมดกรรมหมดการกระทาในขณะที่คุณโยนิโสมนสิกานคุณทําใจในใจนี่เป็น จัดการกับใจของเราได้โดยให้มันเจริญขึ้นเรื่อยๆกําจัดกิเลส ข, ขึ้นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ อ, อย่างโยนิโสอย่างท่องแท้อย่างแยบคายอย่างละเอียดละ อ, อ่ไม่ผิดพลาดหรืออย่างลงไปถึงที่เกิดโยนิโสคือเหตุคือตัวกิเลสตนเอาตทานจัดการตัวนั้นตัวเวรตัวกรรมตัวร้ายตัวสําคัญ นั่นคือโยนิโสมณสิการคุณจะทำอย่างนี้ได้คุณต้องรู้ว่าโยนิโสคืออะไรทำอย่างไรมณสิการคืออะไรทำอย่างไรคุณฟังอัตมาไปนี่เข้าใจไปปฏิบัติได้ไหมโยนิโสมณสิการเขาแปลโยนิโสมณสิการแต่เพียงว่ามีความรอบรู้อย่างท่องแท้แยบคายทำใจในใจรอบรู้เขาแปลอยู่แค่นั้นอะ เขายังมีภาคปฏิบัติจริงอยู่ในปรมัติจริงเลยคุณจะทำอย่างนี้ได้จริงเพราะคุณได้ศรัทธาในคำสอนที่ถูกต้องเป็นสมาธิเพราะคุณได้ฟังธรรมจากสัตตบรุษคุณได้พบสัตตบรุษโพธิรักเป็นต้นคุณก็เลยได้ฟังธรรมจากโพธิรัก ได้ฟังสัตจธรรมเจ้าท่คุณก็เลยเกิดศรัทธาในธรรมะที่โอ้โหสมาธิิละเอียดเออเอาไปปฏิบัติได้ปฏิบัติมณโยนิสมนสิการปฏิบัติอย่างนงี้ค์มีสติสัพปพปัญญาเป็นอย่างงี้แฮสํารวมมีอินทรีย์เป็นอย่างนี้แฮทําให้ทุจริยสัมลดลงไปงี้แฮนี่วอนห้ามันลดลงงี้แฮโอ้โหนี่วอนห้าลดอวิชาลดอวิชาร์ลดเมื่อ่วิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นแทน เพราะคุณปรุงอาหารให้แก่อัวิชาเป็นอาหารที่เป็นอาหารวิเศษเป็นอาหารที่ทำลายอักขุศลทั้งหมดทำลายนิวรณ์ห้านั่นเองนะปลายเมื่อคุณปฏิบัติอย่างนี้จิตที่มันเจริญขึ้นคือฌานทั้งสี่ผลที่เกิดสัตยธรรมเจ็ดศรัทธาคุณเกิดฮีริอธิบายแล้ว โอตปะอธิบายแล้วพระหุสูตอธิบายแล้ววิริยะสติปัญญาสติสัมปัตัญญาปัญญาก็อธิบายขยายความไปเยอะแล้ววิริยะต้องเพียรเพราะฉะนั้นคนที่ภาคเพียรขยันทํางานแต่ไม่ขยันประชุมล้มเหลวที่ไหนก็ล้มเหลวคนที่ไม่เข้ามาประชุมในวันนี้ที่อยู่ในโรงเรียนผู้นํา คือคนโง่ขนาดอาตมามาเทศยังไม่มาเลยเพราะเคารพอาตมาแต่ป่าเชื่อว่าอาตมามีภูมิธรรมจะเทศให้ฟังได้โอ้โหโอกาสนี้ได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะมาตัางธรรมแล้วมาอยู่โรงเรียนผู้นํำมาสร้างบ้านที่นี่ลาออกจากงานมาแต่ไม่มาฟังตามพระโพธิรักมายังไม่มาเลยจะรอพระพุทธเจ้ายังยังคุณตายพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดหรอก ฟังพระโพธิรักก่อนเถอะไม่ฟังเพราะไม่มีปัญญารู้ว่าพระโพธิรักคือใครนั่นคือความโง่ของเขาอย่างน้อยมาประชุมกันมาฟังธรรมก็ยังดีหรือมาร่วมฟังการประชุมคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าสังคมที่มีการประชุมมันประชุมพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกไม่ทําลายคําสอนพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติใหม่ บัญญัติสิ่งที่เหมาะที่ควรขึ้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นในสาระในอะไรอปะอิหานิยธรรมอริหานิยธรรมเจ็รรรประการเพราะการพรั่งพร้อมกันประชุมนั้นเป็นขบวนการกลุ่มเป็นวิธีการที่ประเสริฐที่สุดที่คนสมัยนี้คนพบจึงตั้งสภาแล้วประชุมกันเป็นเรื่องสําคัญ คนสมัยนี้คนพบแล้วพุทธเจ้าค้นพบมาก่อนตรัสไว้แล้วสอนไว้แล้วเป็นวิชารัฐศาสตร์ไว้แล้วสังคมาศาสตร์สอนไว้แล้ววิธีตัดสินการประชุมอย่างไรอธิกระสมรรถเจ็ดสอนไว้หมดแล้วเยบุญศกาเอาเสียงค้างมากเป็นประมาณก็สอนไว้หมดแล้วและการประชุมจะต้องมาประชุมกันต้องบอกกันเข้าใจกันต้องตกลงกันต้องมีเนื้อหาอะไรมาวิเคราะห์วิจัยกัน อะไรที่ไม่ต้องลงมติอะไรที่บอกว่าโอ้เป็นไปโดยอ า, อาจปตอาปัตตาธิ่ก่อนก็ไม่ใช่ตินนรารถคตินนาวิกปะกวินัยตินนราปรก า, าจบไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินเพราะทุกคนโอเคไม่ต้องโหวตหรือจะต้องใช้หลักของหลักอาบัตอย่างไรปรับอาบัตกันไปก็ทําไป หรือเมื่อมันยังแย้งกันไม่พอต้องเอาอำนาจขขาหมู่กลุม่มเสียงข้างมากเป็นผู้ชนะได้วาเยบริสิกาท่านก็ให้ทำนอกจากนั้นจะเป็นอมูลรหาวินยัยสติวินัยอะไรก็ตามใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไอ้นี่มันเรื่องของคนสติไม่ดีมันเป็นคนฟุง้งซ่านมันเป็นคนโง่มันเป็นคนที่อ่อนแอเสื่อมส่วนนั้นส่วนนี้แล้วไม่สมประกอบอย่าไปเอาผิดเขาท่านตัไดไปหมดแล้วอมูลหวินยัย กฎหมายก็มาเรียนตามทุกวันนี้ก็มาติดตั้งกฎหมายตามพระพุทธเจ้าตรงนั้นนลยสติวินัยอันนี้สิโลกไม่แต่มีเหมือนกันเช่นยกพระเจ้าแผ่นดินไว้นี่คือสติวินัยถือว่าพุาทธเจ้าทําอะไรไม่ผิดในกฎหมายรัฐธรรมนูญยกไว้หนึ่งข้อนี่คือสติวินัยอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีปัญหาใช้ได้ หร galaxies, player, ือส er ัมุคขาวินัยเวลาจะพิจารณาความต้องมีทั้งโจทย์ต้องมีทั้งจำเลยต้องมีทั้งวัตถุมีทั้งสิ่งที่เป็นหลักฐานต้องเอาหลักฐานมายืนยันอ้างอิงมีทั้งหลักธรรมมีลัฐกฎหมายต้องมีหลักเกณฑ์หลักธรรมนั้นต้องตามหลักเกณฑ์หลักกฎหมายหลักธรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งหลักฐานยืนยันมีทั้งโจทย์จำเลยครบสัมุคขาวินัยท่านวางไว้หมดแล้วไม่ต้องมาตั้งใหม่หรอกแต่เขาก็ตั้งได้ ระเจ้าท่านรู้หมดสังคมทันมันมหมดแล้วเพราะงั้นการประชุมกันนี่เป็นเรื่องใหญ่สังคมที่ขาดการประชุมแล้วมนุษย์อวดดียิ่งเก่งยิ่งฉลาดยิ่งเห็นความสำคัญของการประชุมเห็นว่าการประชุมนี่ไร้สาระคุณรู้ว่าอะไรไร้สาระ คุณก็ปรามสิอันนี้มันนอกประเด็นอันนี้มันนอกเรื่องอย่าเอามาพูดคุณก็บอกเขาอ่าแล้วก็อย่าไปทําไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่มีฤทธิ์ในที่ประชุมต่างหากคุณไม่รู้จักที่จะปรามสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่นอกประเด็นคุณไม่สามารถที่จะกําจัดอันนั้นได้ปล่อยให้นี้เกิดคุณเองไม่มีฤทธิ์ในกลุ่มมูนี้แต่ ถ, ถ้าคนมีฤทธิ์ในกลุ่มหมูก็อย่านอกประเด็นอย่าไร้สาระส่วนนั้นส่วนนี้เดี๋ยวเวลาเราไม่พอนะี้ อันนี้ยังไม่ใช่เวลายังไม่ได้การละเอาไว้ก่อนอะไรคุณรู้จักประมาณคุณก็ช่วยกันในสังคมในที่ประชุมจัดการใครดูถูกที่ประชุมแล้วไปประนามว่าการประชุมนี่ไร้สาระคนนั้นควรออกไปจากกลุ่มนี้เพราะคุณนับถือกลุ่มนี้แล้วแต่คุณก็ดูถูกการประชุมการประชุมคือสภาสภาคือที่ชุมนุมของบัณฑิตเมื่อคุณดูถูก ที่ชุมนุมของบัณฑิตที่จะต้องตกลงมติจะต้องตัดสินจะต้องบอกกล่าวเรื่องที่จะบริหารสังคมของเราทั้งหมดคุณดูถูกสภาเสียแล้วคุณควรออกจากสังคมนี้ได้เพราะสภาเป็นที่เคารพของชุมชนแต่ละกลุ่มหนึ่งคุณดูถูกสภานะเพราะคุณ หลงตัวเองใหญ่เกินฉลาดคนในสภานั้นโง่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณทําตามใจคุณก็ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องประชุมด้วยสองกูรู้หมดแล้วมันเก่งขนาดนั้นเชเลมนุษย์นะกูไม่ต้องเข้าประชุมหรอกกูรู้หมดแล้วสองดูถูกเข้าไร้สาระนั่นคืออตัตราสองกูรู้มดแล้วก็อตัตราจริงๆนะแต่มันจริงไหมล่ะรู้บมดเลไม่จริง เพระคนที่ไม่เข้าประชุมเนี่ยโง่เรือหายเลยคนที่ไม่เข้าประชุมโดยที่เฉพาะสภาที่เราเลือกแล้วสภาที่เราอยู่ด้วยเอาเธอคุณไม่มาอยู่ที่นี่แล้วคุณเข้าประชุมที่นี่คุณไม่เข้าประชุมสภาของสนชออาตมาก็ว่ายังไม่ว่ากันเลยแต่สภานี้คุณเลือกแล้วนะว่า คุณเลือกจริงๆด้วยอิสระเสรีภาพว่านี่มีคุณธรรมเป็นสภาของคนชั้นสูงแล้วคุณเอาชีวิตมาทิ้งกับคนคณมีแล้วแล้วคุณยังมาดูถูกสภาที่นี่อีกคุณง้อเรือหายจริงๆเพราะฉะนั้นสำนึกเสียปรับตัวสมัย ถ้าไม่ปรับตัวอันนี้ใหม่นะอาตมาว่าที่นี่ก็ไม่เจริญที่นี่นี่คนมีอัตตาเยอะอาตมาขอบอกกล่าวคนที่นี่เป็นคนชั้นระเริงเป็นคนมีบุญในระดับหนึ่งบุญโลกีนะบุญโลกุตระในหมายความไม่มีภูมิปัญญาทางธรรมจะเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนไม่มีอัตตาเป็นคนที่ยอมเป็นคนที่ ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่สูงนรกุตระแต่เป็นคนมีบุญโลกีแล้วบุญโลกีนั้นทำลายตัวเองมาอยู่ที่นี่นี่ฐานหนึ่งระดับหนึ่งเป็นคนที่มีบุญโลกีมาอยู่ที่นี่ทั้งฉลาดทั้งมีฐานนะทั้งมีเงินทองและทั้งมีอำนาจส่วนหนึ่งมาจากสังคม เพราะฉะนั้นถือดีถือตัวพอสมควรพยุงกันไว้ให้รอดเธออาตมาเทศก่อนเเทศหลังเก้มงไป8ดนาทีตอนนี้กำลังจะสเอดเดือนอีกหนึ่งนาที11เอพราะฉะนั้นอาตมาขอแนาทีคืน เทศอีกยาวอีกแปนาทีจะจบ น, น, จะ น, นั่นนี่คือหกคือสิบอนาฬิกาตรงขออีกแปดนาทีนะสรุปอาตมาขยายความวันนี้ละเอียดพอผลที่ได้ฟังธรรมวันนี้เป็นบุญโหหลายอย่างใหม่หลายอย่างละเอียดมีปฏิสัมพันธ์มีปฏิสัมพัทธ์ในณธรรมะเยอะ คุจะฟังทวนในอีกหลายร้อยเที่ยวนะและเอาไปเรียนรู้แล้วเอาไปประติปฏิบัติตนไม่ว่าเจรณะสิบห้าก็ดีไม่ว่าจะก่าพาดพิงไปถึงปฏิสมุบาทบ้างปาดพิงไปถึงธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแม้แต่เรื่องอาหารอาหารนี่มันกี่ข้อไม่รู้อาหารเก้าสิบกับตัวอวิชชานะ เสิบก็ตวอวิชาอวิชามีนิวรณ์เป็นอาหารอาวิช า, านิวรณ์มีทุจริตสามเป็นอาหารทุจริตสามมีไม่รู้จักสมบูมมรอินทรีย์เป็นอาหารไม่สมบูรอินทรีย์มีไม่มีสถิต ส, ส, สัพจัญญาเป็นอาหารไม่มีสถิตสมัชัญญะก็คือไม่รู้จักโยนิโสมนัสการเป็นอาหารไม่รู้จักโยนิโสมนัิการก็คือไม่ศรัทธาเป็นอาหารไม่ศรัทธาก็เพราะไม่ได้ฟังธรรมเป็นอาหารจากสัตบุรุษ ไม่ได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษเพราะไม่ได้รู้จักสัตบุรุษสัตบุรุษมาก็ไม่ฟังธรรมแล้วมันจะได้อะไรวอแหวนสละสัตบุตรมาก็ไม่ค้นคว้ามาฟังธรรมแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยแต่มาพูดอวดียกตัวเป็นสัตบุรุษนะก็ขออภัย เอาละอัตมาขยายความให้ฟังแล้วว่าที่นี่เราก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ดำเนินทำตามธรรมพยายามทำไปตามฐานะตามมวลมีบุคคลมีจริตมีผู้นำถือว่าคุณจาลองเป็นผู้นำแต่ผู้นำก็ควรจะแบ่งแบ่งอำนาจสังคมทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าการแบ่งอำนาจเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องวิเศษ ถ้าขยึดอำนาจเป็นของตัวเองไว้คนเดียวคนนั้นโง่เรือหายแบ่งอำนาจให้คนอื่นมีอำนาจและให้คนอื่นใช้อำนาจเป็นเขาใช้อำนาจไม่ถูกก็เตือนเขาสอนเขาแล้วก็ใช้อำนาจเป็นอำนาจนี่ไม่ใช่อำนาจเบ่งไม่ใช่อำนาจไปกดขี่ข่มเหงแต่อำนาจคือริบแรงพลังงานที่ไปใช้งานทำงานได้ว่าจะใช้การทำงานอะไรไปมันก็ใช้ทุกอย่างมัน พนวกอยู่ที่สาสารและพลังงานเพราะนั้นพลังงานนี้แหละพลังงานทงางวิญญจิตวิญญาณเป็นพลังงานพวกอภิใจนี่กพวกอภิธรรมนี่ก็ว่าธรรมามากหากว่าวิญ ญ, ญาณไม่ใช่พลังงานใช่คุณไปเอาความหมายตื้อๆอยู่แค่ว่าสาสารกับพลังงานนั่นเป็นวิทยาศาสตร์ของวัตถุธรรมนามธรรมก็มีสาสารมีพลังงานนามธรรมมีพระสาสารมหาพูทธ ร, รูปคือวัตถุ อุบัติอุปาทายรูปคือพลังงานนะพลังงานก็ทำงานมันมีบทบาทมีเรี่ยวแรงมีพัดนิรมีแรงที่นี่ได้พยายามเกิดรูปธรรมระดับหนึ่งอย่างหนึง่งเพราะที่นี่มีถึงสวิมมิ่งพูลที่ยอดที่สุดก็เป็นฐานะของที่นี่สร้างหอประชุมตึกนี้ตั้งสิบล้าน อัตมาอยากน้ําลายไหลใจบวชานะที่จึงน้ํำลายอัตมาไม่ได้ไหลหรอกอยากน้ําลายไหลโอ้โหมีคนอุทาน อ, อู้หเขาสร้างยังไงโอ้โหกว้างไม่มีเสาสักต้นเลยเพื่อนฝุ่นศู น, นกว้างประมาณเนี้เสาตระ โ, โบโลบลาตูดใหญ่เสาเล็กก็ยังไม่พอต้องเสริมอีกกลัวมันจะทับ กลัวมันจะไม่แข็งแรงต้องเสริมเสาบล็อเลยขวางทางทำไมไม่กว้างโล่งเงียบที่หอประชุมก็บา ร, รมีโพธิรักษ์ก็ได้เสาอย่างงั้นแหละาใหญ่ก็ได้แค่นั้นนี่บา ร, รมีคุณจำลองก็ได้ตึกหอประชุมอย่างกว้างโล่งไม่ต้องมีเสาบังเลยอะไรเงี้ยแม้แต่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่โอ้โหถอดด้ามาอพอ อัตมาไม่มีบุญได้คอมพิวเตอร์แอปเปิลแอปปลนเียแอเปอ์แม็ไมายเอี่ยมถอดดาวน์บางจ้อยเลยเนี่ยฮาร์ดดิสต์อยู่นิดนิดเลยนะกอตมานี่ยเขาไปจอก็จอบางพิเศษแต่มีฮาร์ดดิส์ดุนบุลเลอ์เลยตู้ขนาดนี้นะอันนี้ก็ p พ a คที่เขมากเลยโอ้โหแผ่นบางเขาบอกก็สี่0มืนกว่า มีคนยุว่าพอท่านน่าจะใช้อย่างนี้มีคนยุว่าพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆฉ <c oughs> ลาดกันทั้งนั้นเลยนะยุกันเรื่อยอัตมาใช้ครัวันนี้ก็มีทั้งสองอันในคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบแม็กนี่นะราคาที่จริ ง, รงแพงกว่าเดี๋ยวนี้เยอะนะเป็นแสนเดี๋ยวนี้นี่สีมือนี่พร็อคอร์กันเยอะเลยทูกลนมาเยอะเลยเหมือนกับ โทรศัพท์ที่เมืองที่เรินของเขาในี่โทรศัพท์มือถือนี่ก็าแจกฟรีนะเขาไล่แจกแต่เมืองไทยมาแรกๆขายอันหนึ่งเกือบแสนโทรศัพท์มือถือขูดหน่าดูเลยเดี๋ยวนี้มันถูกลงไปเลอแล้วเรียบร้อยประสิทธิภาพสูงกวยเล็กนิดเดียวเอาละเดี๋ยวเขาย้ายความแนาทีหมดนี่หแล้วตาย โอ้หมัวแต่ละเลียดอยู่นั่นแะมันมีเยอะนะรู้มากยากนานอย่างเงี้ยโอ้รู้น้อยก็พลอยรำคาญก็ขอย้ำให้พวกเราว่าที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งมีคนถามขอพูดตรงนี้ถามว่าผู้นำโรงเรียนผู้นำนี้เป็นเครื่อแแหของอสงได้ไหมถ้าจัดในระบบแล้วหนึ่งชมรมสองกลุ่มสาม ชุมชนสี่หมู่บ้านโรงเรียนผู้นำยังไม่เข้าเขตกลุ่มเลยเป็นเพียงชมรมโรงเรียนผู้นำานี่ยอยู่แค่ชมรมดูใหญ่ดูมีประสิทธิภาพทางสังคมอบรมอะไรๆะะเยอะทำอะไรงานพอสมควรแต่อยู่ในเกณฑ์ของอระทรอะไรแค่ไหนแค่ระดับชมรมยังไม่ถึงกลุ่มเพราะอะไรกลุ่มนี้จะต้อง สมบัติส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสมบัติหลักที่ดินเป็นของส่วนกลางเป็นต้นตรงเียนผู้นำยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตรงเรียน ผ, ผู้นำเนี่ยเป็นเคยแห่ของอาโศกด้เปล่าแค่ชมรมกลุ่มยังไม่ถึงชุมชนยังไม่ถึงหมู่บ้านยิ่งยังไม่ถึงใหญ่อาจจะเป็นหมู่บ้านเองได้ก่อนชาวอาโศด้วยนะที่นี่ไม่แน่แต่ไม่รู้นะ แต่ถ้าทีคงมยังไม่ยังไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันยังไงไม่รู้พอมาสร้างบ้านโชว์ไว้แต่เป็นหลังๆตัวนั้นคนยังไม่มาเลยบ้านงามด้วยโอ้โหแต่ลหลังแต่ลหลังแหว่ชเลยนะเอาละเหลืออีกหนึ่งนาทีนะอาตมาเทศทำเวลาจริงๆเลยนะในยุคโทรทัศน์ตรงเวลาต้องเข้บหน่อยนะก็ขอให้พวกเราได้ศึกษาดีๆทำมัธิเทศวันนี้เอาไปฟังดีๆ แล้วจะได้ประโยชน์และทุกคนก็ขอให้พัฒนากันอาตมามั่นใจว่าพว ก, าก้าวอโศกเราตั้งหลักแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานเพื่อสังคมอีกต่อไปเน็ดเหนื่อยแต่เรียนรู้ดีๆนะขอบคุณทุกคนที่ตั้งอกตั้งใจมาทำตนให้เป็นคนประเสริฐเป็นคนอาริยะและมันจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมต่อไปจึงขอบคุณสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้เอว่า